ยเรนพรท่านสาธทุชนพุทธบาัพท์ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาสนทนาก็เชิญเข้ามาร่วมสนทนาได้ตามมัธยสัย ท่าแลกก็คืออุณนะคุณจากโตเกียวเด็กชายนะคุณกลับนามสาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะนะคุณหนุ่มกลับนามาสการกับพระอาจารย์วันนี้ไม่สอนไม่เดือใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับจริงเหรอจริงค่ะวันนี้เรียบร้อยฮ <laughs> นะ มีอะไรไหมไม่มีครับไม่มีครับอืมดีไปนอนแล้วจะนอนหรือยังง่วงมากแล้วครัอาจารย์ง่วนอนนะเมื่อไหร่จะกลับเมื่อไหร่จะกลับมาเมืองไทย่ะอ่าเดือนกรกฎาคมค่ะพระอาจารย์อย้ายมาทํางานที่เมืองไทยเลยใช่ค่ะย้ายไปประจําที่กรุงเทพค่ะเวลาเท่าไหร่นานเท่าไหร่ เออเขายังไม่มีกำหนดค่ะพรอาจารย์คิดว่าน่าจะเรียนให้น้องเรียนจบมอมอ ต, ต้นที่นั่นบ้างคานหรือว่าปถมปถมแล้วก็เขาอาจจะส่งกลับค่ะมาอยู่นานขนาดนั้นเลยเลยค่ะ <c oughs> เขาไม่ได้กำหนดเลวลาเลยค่ะป <c oughs> กติก็สี่ปีห้าปีแต่ก็เห็นมี ì, ญี่ปุ่นบางคนไปอยู่เป็นสิบปีก็มีค่ะบริษัททำอะไรเดี๋ยวอะไร เกี่ยวกับมอเตอร์ค่ะพระอาจารย์ที่ใช้ในพวกโรบอทแล้วก็เวนติเลชันค่ะอยู่ที่ไหนที่กรุงเทพอยู่ในเมืองไทยตั้งอยู่ที่ไหนอยู่อโศกค่ะพระอาจารย์อยู่อยู่ที่กรุงเทพเลยค่ะที่กรุงเทพค่ะอมันถึงสำนักงานใช่ไหมใช่ค่ะมีสำนักงานที่กรุงเทพค่ะแต่ก็มีอยิงไปแถวชนบุรีบ่อยๆก็ดีใจที่จะได้ไปนวัตกรรมพระอาจารย์ค่ะโอเคมีอะไรไหม ทีนี้ไม่มีอะไรค่ะเมื่อวันที่สิบสามไปนอนวัดกันมาค่ะสองคนคนไปเยอะไหมคนเยอะค่ะ mm hmm. เขาไปเตรียมงานด้วยค่ะแล้วก็เขาจัดงานวันที่สิบสี่เทศกาลสงการคน mm hmm. เห็นว่ามาเต็มเลยแต่หนูกลับก่อนตอนเช้าค่ะ mm hmm. ค่ ะ, คะกลับลมามัตการเจ้าขาพระอาจารย์โอเคสาที่ยวไปที่จามาเกกจษที่เชิญ จ, จมามจ่า กลางนัมกมัธยมคระอ า, <ร>าจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาส่งกันบ้านเออมีอะไรบ้างการบ้านพิจารณาความตายเออกลัวไหมไม่กลัวครับเออไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับเออนอกจากความกลัวความกลัวเนี่ยน่ากลัวเพาะความกลัวก็คือความทุกข์นะครับ ความทุกข์เกิดจากความหยงเกิดจากความยากถ้ารู้ความจริงของมันก็จะไม่ทุกข์โอเคว่ามาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปนม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายเป็ไม่ได้ เราจะลำบากเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลักพลากจากของและของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงคือเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่อาศัยเราทํากรรมบรไดไว้เป็นกุลหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสิบไป เราทั้งหลายคนที่เจรณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอดพิจรารณาเปล่าทุกวันพิจรารณาครับอตอนไหนตอนเชน้าแลือตอนเยน็นนะตอนกี่<ะ>กี่ครั้งรั้งเดียวเลยก็มี ท, ทั้งเช้าแล้วก็ทั้งเย็น้ก็คุยคุยกันบ่อยๆค่ะพระอาจารย์ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราเลยนะพระบุตรเจ้าบอกว่าทั้งสองครั้งมันน้อยไปนะยังประมาณอยู่ ต้องทุบลมหายใจเขาออกเลยนร้อืมอยงเงี้ก็ไม่ต้องทำแล้วเตรีมตัวตายได้ <c oughs> <c oughs> อ่ามามาไม่ไรต่ออาการสามสิบสองอะมามาผมขน<ม><ม>และฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเช่นในกระดูก ม้าหัวใจตับผังผืชไตบอร์ดไซใหญ่ไ้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ายึดในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำใข่ข้อน้ำมู น้ำพุทธน้ำแข็งข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงอน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำทะเลน้ำดีเยืนในสมองศีสับอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยใส้ใหญ่บอดเต้ยผผืชตับหัวใจม้ม่เยืนในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บ ผลผมอ่าตัวเราอยู่ตรงไหนไม่อยู่ครับไม่อยู่นะในร่างการไม่มีเรานะไม่มีครับโอเครู้ไหมว่าเราเนะี่ยเก่งกว่คนที่นะอายุเทาเราที่อยู่ในชั้นเดียวกับเรานี่เขาให้เขาสร้างอาการหารที่สองเขาสร้างได้ไหมเขาอาจจะไม่รู้จักครับไม่รู้จักนะ ท, ทั้งทั้งที่มีอยู่อยู่กับตัวเขามาตลอดตั้งแต่เกิดเลยนะ ครับคับเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้รู้แล้ ว, ลวรู้แล้วครับดีไหมคำสอนของพระเจ้าดีครับอืมคำสอนง่ายๆทําทไมคนไม่รู้กันนะครับครับที่เลยไม่ยอมไม่รู้ใช่ไหมใช่ค่ะที่เลยสึส้บางความจริงไม่หมดให้มองแต่ความไม่จริงเป็นนางกายแล้วสวยงามนุ่มหล่อ Uh, oh, <okay. S 1> อันนี้แหละคือความหลงผีวเผินมันหลอกให้มองเห็นว่าร่างกายนี้สวยงามร่ mm hmm. างกายนี้เป็นตัวเราใช่ไหมใช่ครับเชื่อพระเจ้าบอกต้องเ ร, เราต้องมาแก้ความหลงอย่าให้มันหลอกเราเราเอาความจริงมายืนยันว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้อยู่ในร่างกาย <Okay. S 1> uh, ร่างกายมีแต่าการสามจุดสองไม่ต้องกลัวเวลาร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับมันเราเป็นผู้ใช้ร่างกายเราตัวเราไม่มีร่างกายตัวเราไม่มีรูปร่างตัวเรามีแต่ความคิดความรู้รมีอะไรจะถามไหม ไม่มีอะไรแล้วคุณ ม, มีคำถามนึ่งค่ะระอาจารย์เมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าอ่าบางคนเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องธรรมคะค่ะแล้วในชีวิตเขาอ่ะเขามีโอกาสที่จะได้รู้ไหยคะมันจะมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้คนคนนึงอยากศึกษาธรรมะก็แล้วแต่แล้วแต่เหตุการณ์แต่ละคนพระพุทธเจ้าเองไม่รู้เกิดกาเจ็บตายอย่างนันนั่งอยากจะออกไปเที่ยวนอกราชวงศ์อะไรนี้ออกไปดู ก็แล้วแต่บางคนเห็นก็เฉยเฉยไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรไปงานศพไปงานอะไรก็เฉยเฉยไปไปก็ไม่ได้เห็นอ่ะไปงานศพก็เห็นแต่ลงแล้วก็เห็นรูปภาพของคนเป็นไม่ใช่รูปภาพของคนตายความจริงน่าจะถ่ายรูปภาพของศพที่อยู่ในโรงแล้วมาปะไว้ถ้าไม่อยากจะให้มองของของจริงก็อย่างนั้นมองภาพถ่ายก็ยังดีนะจริงไหม ไม่อยอมถ่ายกันทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ชอบเกาหกตัวเองกันใช่ไชอบหลอกคนตายแล้วยังลอาูปคนเป็นมาติดไว้เองอย่างนี้มันกหลอกกันใช่ไหมใช่ไหมถ้าเราไปทําพาสปอร์ตแล้วถ้าเราตายแล้วเราภาพคนเป็นเข้าไปติดมันก็แสดงว่าเราหลอกเข้าใช่ไหม ในโลกทั้งโลกชอบหลอกตุหลอกกันเองเลยไม่รู้สึกตัวว่าหลอกกันอยู่ใช่หมแต่พระเจ้ า, าจบอกอย่าหลอกเราต้องเอาอปัญญาปัญญาคือความจรงิงความจริงมาบอกกันมาคุยกันจะได้ไม่หลงจะได้ไม่ทุกข์ทุกข์เพราะเพราะไปหลงที่ว่าเป็นตัวเราที่ว่าจะอยู่กับเราปเป็นสลาย โอเคน้ามีอะไรไหมไม่มีแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้าครับอย่าลืมนะคิดไปจะ บ, บันตายเลยนะครับแม่เด็กชายอยู่กับคุณปูเลยนุปูให้เด็กชายก่อนนอนะี้ตัวเล็กมาก่อนเปิดใ่ได้ไหมปูเปิดแล้วเปิได้เลยลูกชายชื่ออะไรครับ น, น้องพีอยากถามอะไรหลวงคุณน้องชื่ออะไรครับชื่อน้องพีครับน้องพีที่หกขวบใช่ไหมอายุหกขวบใช่ไหมที่ตัวเล็กๆแต่อายุไม่นนใช่ครับเหมือนหกขวบครับแต่ไม่ใช่ อ, อยากจะถามอะไรไหมครับน้อยากถามว่าอ น้องพีดหนูจะต้องทํำยังไงครับให้หนูแบบความคิดเหมือนผู้ใหญ่แบบครับป๊าป๊ามามาพูดเพราะว่าอะไรให้หนูดีใจอ่าหนูก็แค่บอกว่าครับขอบคุณครับอย่างนี้แบบให้มีเหมือนแบบให้มีสติครับแล้วก็ไม่ได้ล่าเริงอะไรมากอย่างนี้ค่ะไม่ตื่นเต้น ไม่ตื่นเต้นอืทออําไมอยเออคุณแม่นลองลองพูดให้ฟังหนอยเมื่อกี้ฟังไม่ค่อยได้ยินที่น้องพูดน่ะค่ะอะน้องเขาพูดว่าจะทําอย่างไรให้เขามีสติเพราะว่าเวลาที่เขาชอบอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางทีจะไปบ้างคุณยายอย่างเงี้ยเขาก็จะตื่นเต้นมากจะทําอะไรก็จะแบบว่าแบบ รีบร้อน ล, อ น, ลอนลานไปหมดทุกอย่างเลยกลัวจะไม่ได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบใจร้อนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็ต้องใช้พุ<อ>โทโธนะค ถ, ถ้าต้องพุโทโธในใจเวลาใจเราไม่เป็นปกติก็ต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะกลับมาเป็นปกติเวลาใจวุ่นวายเวลาใจรีบร้อนเวลาใจเสียใจหรืออะไร ใช้พุโทโธได้หมดเลยพุโทโธเป็นเหมือนยาหม่องเวลาดนมาแมลงสัตว์กัดต่อยมีแพ้แล้วก็ใช้ยาหม่องก่อนเนี่ยเวลาใจไม่สบายก็ต้องพุโทโธไปก่อนเลยหัดท่องพุโทโธทุกนะก่อนที่จะต้องหัดท่องไว้ก่อนถ้าไม่หัดท่องไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาถึงเวลาท่องไม่ได้ทุกคืนก่อนนอนนั่งท่องกับแม่สักห้านาทีก่อนแม่สอนให้นั่งท่องพุโทโธพุโทโธก่อนนอนดีไหมก็จะผา โมนสวดม น, นก็ได้ท่องพุทโธก็ได้เอพุทโธมันง่ายกว่าําเดียวถ้าเกิดเวลาตกใจขึ้นมาใจไม่สบายใจรีบร้อนอะไรก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไวปแล้วใจก็จะเย็นใจก็จะกลับมาเป็นปกติเข้าใจไหมครับอยู่ท่องพุทโธได้ไหมเราท่องหลวงพ่อหลวงตาฟังหน่อยไดท่องสักสิบคา ท่องได้ไหมพุโทโธพุโทโธ oh. พุโทโธไปเรื่อย oh. ๆจะท่องในใจก็ได้ไม่ต้องออกเสียงก็ได้นะเวลาที่เราไม่สบายใจก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจหรือจะออกเสียงก็ได้ mm hmm. เดี๋ยวใจก็จะสบายพาใจเลยอาจท่องทุกวันเลยก่อนนอน แตื่นขึ้นมาก็เอาสักห้านาทีก่อนไม่ได้ก่อนน้อยก็สักห้านาทีแล้วช่วงไหนนึกถึงพุทธโธได้ก็นึกไปเรื่อยๆเวลาอยู่ทําอะไรออ่ น, นึกถึงพุทธโธพุทธโธบ่อยๆให้มันติดเป็นนิสัยพอเวลาจะใช้พุทธโธมันจะได้ใช้ได้ใช้ได้ทันทีถ้าไม่ทําไว้ก่อนไม่ฝึกไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลา น, านึกไม่ออก ดีไหมครับอเมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะก็เพ่จะถามอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งคำถามแต่ถ้าเปิดเทอมอาจจะมีคำถามเยอะตอนนี้อยู่บ้านไม่อาจจะไม่ค่อยมีคำถามเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกังวลมีก็ถามได้นะอือเพื่อศึกษาคำถามนี่ก็เพื่อเป็นการเรียนรู้ คำถามนี้ไม่ใช่เป็นของเสียหายหรืไมไม่ไม่รู้ก็ต้องถามแต่ถ้าคิดเองได้หาคําตอบเองได้ก็ดีถ้าหาไม่ได้ก็ค่อยๆถามค่ะคุณจะถามอะไรพูดดังๆหนูหูปุ๋มไม่ได้ยินโตขึ่นหนูควรจะเป็นอะไรอะเราขึ้นหนูควรจะเป็นอะไรหนูชอบเป็นอะไรนะหนูอยากจะเป็นอะไระ เป็นพระนี้ไหมเป็นเหมือนน้งตานีไหมเหอาไหมได้ครับได้เลยไ ด, ได้จริงๆริงนะเป็นพระได้เลยถ้าเป็นพระเลยนี่เป็นได้ก็ดีคุณแม่ว่าไงท่านจะขอเป็นพโนโระดนูเต็มใจอย่างมากเลยค่ะ ก็ต่อไปโตหน่อยอายุสักสิบอายุสักสิบสองขวดบางทเสร็จเขาจะให้บวชเนนได้ใช่ไหมนี่ะเพื่อช่วงปิดแทมที่ไหนที่ไหนก็มีมีโครงการบวชแล้วพาลันดูร้านก็ไปไปบวชกับเข้าวคอนพือพ้อมให้ค่อนจริงๆแล้วก็มีเคยคุยกับแฟนอยู่เหมือนกันค่ะว่าอยากจะให้เขาบวชเนน ก็คือแบบคือเขาอยากจะไปบวชอีกรอบนึงแต่ว่าด้วยเขาเรียกว่าอ่าตอนนี้อ่าตอนนี้ก็ต้องทำงานทำอะไรพวกนี้นะคะ่ะเพื่อแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะเขาก็ยังเป็นห่วงก็เลยยังก็เลยอยากจะคิดจะไปบวชแต่ก็ยังแบบยังไปไม่ได้ะคะ่ะคนนี้ฮ อ, องถ้าเกิดจะให้ไปบวชพร้อมป๊อปป๊า พร้อมแฟนหนูแฟนหนูก็บอกว่าอย่ามาบวชพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ได้ปฏิบัติกลัวเดี๋ยวต้องไปดูลูกอย่างเงี้ยค่ะให้โตสักหน่อยแล้วให้เขาไปให้เขาไปบวชคนเดียวก็พอค่ะก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่าวัดวัดก็ก็กลัวมีข่าวเยอะเหมือนกัน แฟนก็เลยบอกอยากให้เขาโตกว่านี้สักนิดหนึ่งให้โตกว่านี้หน่อยเคยเคยบวชมาข้างหนึ่งรึเปล่ายังไม่เคยบวชเลยค่ะยังไม่เคยบวชแต่อยากให้เขาเขาเขาเขาพูดว่าถ้าเขาเขาาพูดเองว่าเออถ้าเขาบวชก็ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อืถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็ลองไปที่วัดพระรามเก้าดูวัดพระรามเก้ากับวัดยานนี้ก็เป็นวัดมาจากวัดบางวรด้วยกันค่ะ ก็ใช่ครับบมงทีวัดวัดพระามเก็ ม, มีโครงการสั ม, มเมอร์นของทูนทูนเก็มีโครงการบวชสัมเมอร์เอนเลยค่ะโน้นเคยมีถามอยู่แต่ยังไม่ได้คําตอบมาสองปีละสองสมปีมีถามอยู่เหมือนกันนะค ะ, ะยังไม่ได้คาตอบจากทางนั้นมาก็เลยพับโครงการไปก่อนฝึกษากับแฟนอยู่เหมือนกัน แฟนก็เลยบอกว่าอย่างอยก็ได้ยอย่างเงี้ยเพะตอนนี้คือถ้าเขาไปอาจจะแบบร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงแพ้เหเนื้อด้วยค่ะเวลาเหงื้อออกก็จะแบบคันแล้วก็จะเป็นแผลตามข้อพับตามตัวอย่างนี้อืหนูก็เลยสวดก่อนน อ, นน อ, นอ่างเนี้ยค่ะบางทีก็จะขี้เกียดนิดนึงจะงองแงอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้สวด สวดแค่ไม่กี่บทก็ไม่ถึงสินาทีก็ได้เวลาเราดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดูไปชั่วโมงแค่สวดมนต์แป๊บเดียวเองเ mm hmm. นาก็ต้องสวดพอเพราะว่าแบบดูดูทีวีเวลาดูทีวีเวลาเล่นเกมอะไรแบบเนี้ยครับเล่นเวลาเล่นเกมใช่ไหมครับมันเหมือนแบบ มีความสุขกับมันแล้วก็มันแบบเรียมากไะเพราะว่าเราไม่ได้ไปมองเวลาแล้วเราก็ชอบในสิ่งนั้นนะคะแต่ว่าในสิ่งที่เราไม่ชอบอะ่ะเราก็จะคิดว่ามันช้ า, ท, า, ท, า, ท, าทั้งๆที่เวลาเวลาที่นิดเดียวเวลาที่นิดเดียวแต่ว่าก็คิดว่ามันช้าแต่เวลาที่เยอะแล้วก็ นานมากเลยแบบคิดว่าแป๊บเดียวใช่ถ้าเรามีความสุขมันก็แป๊บเดียวถ้ามันมีความทุกข์มันก็ช้ามันก็นานแต่บางทีของที่เป็นความสุขมันมันไม่ดีนะชู้อของที่เป็นความทุกข์ไม่ได้มันดีกว่าบางทีเราก็องหัดทาในของที่มันเป็นความทุกข์เพื่อให้เรามีความสุขในภายหลังของบางอยา่างเรามีความสุขใน คราวนี้แต่ในภายในคราวหน้ามันจะทำให้เราทุกข์ได้นะ่ั้ก็ต้องอไม่ให้พยายามอย่าไปห้ามอย่าไปปล่อยเด็กดูเล่นบ้างดูบ้างได้มันก็แต่ควนจะมีเวลาเวลามีประมาณโอเคนะมีอะไรไหม ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะการรักษาการขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะว่าตอนค่ะมื่ตอนสงการหนูฝากน้องเฟิร์นไปตักตักบาทนะคะหลวงพ่อค่ะฝากตักบาทปลาแซลมอนนะคะสเต็กปลาแซลมอนทุกครั้งเลยเวลาฝากน้องไป น้องเฟริรนอยู่ที่ไหนค่ะอเลยนะคะน้องเฟริรนอยู่ที่ไหนน้องเฟิร์นเหรอคะอน้องเฟน อ, เฟ อ, อยู่ที่โรงแรมสยามโรสยา ม, ยามค่ะเราเข้าไปใส่บาทให้ให้แทนหนูหนึ่ค่ะแล้วน้องเขาก็ใส่ด้วยแล้วหนูก็ฝักน้องไปด้วยค่ะก็โน้มนาด้วยเนี่ยกลัวคะ น้องเขาไปใส่แล้วพี่เขาก็มีถ่ายไว้ให้วันใส่เยอะเราก็จำไม่ครไม่ไปยได้นะอ๋อโอเคจ้าสา่สนนะุเห็นแนละ้วเห็นแล้วครอบครัวหาฝากตักบาตรกับน้องเฟิร์นถาวายหลวงพ่อนะคะ พราะขออนุโมท น, นานะขอให้ได้บุญได้กุศลมากๆนะอโอเคเอาไนี่ก่อนนะลูกชายเนือหน่มพอดีมีคุยกับลูกชายคนโตลูกชายคนไปกับหนูด้วยค่ะไปกับหนุมพ่อค่ะแล้วก็ถ้าเกิดแฟนเขากลับมาจากเมืองนอกก็อาจจะพาไปแฟนเขาเป็นคนต่างชาตินะค่ะ อยากจะให้ฟังธรรมะกับหลวงพอ่อก็ได้ธรรมะสนอก็มานะเอาตอนนี้ก่อนนะสักการ์ดอืมอ่ะค่ะข อ, อะสุขภาพแข็งแรงนะคะอะ่สาวจุ้งโอ้ค่อยๆร้อนแข็งด้วย <c oughs> <c oughs> โอเคไปได้คุณหมอพิเชตตาคุณหมอเชิญบสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายแสงสว่างแห่งธรรมครับพระอาจารย์แสงสว่างแห่งธรรมก็คือปัญญาเนี่ยความรู้ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นแสงสว่างที่งด้กระทั่งแสงพาที่ยังยังเข้าไม่ถึงได้ แสงภาพที่นี้ยังมีมีมีมุ ม, ม, มที่มีเงาบังไว้มองบองไม่ทะลุบังบางส่วนแต่แสงสว่างแห่งปัญญานี่มองทะลุหมดไปปลุกดวงหมดร่างกายนี่ทั้งร่างนี้สามารถมองทะลุผัวปองหมดเห็นได้หมด ท, ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งแสงสว่างเห็นได้เพียงแต่ช่วงภายนอกของร่างกายนั่นเองอแสงสว่างแห่งธรรมนี้มองเข้าไปใต้เพลินงน้ำเลย เห็นเนื้อเห็นเอ็นเห็นกระดูกเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้ยกตัวอย่างคือแสงสว่างแห่งธรรมเห็นในสิ่งที่แสงแสงสิ่งที่ตามองด้วยแสงไฟนี่มองไม่เห็นหมดเห็นอริยสัจสี่นี่ก็มองไม่เห็นแสงสว่างแห่งธรรมเห็นทุกทุกที่เกิดในใจเกิดจากอะไร เกิดจากตั้นหาความอยาวิธีดับความทุกข์ดับด้วยอะไรอันนี้เกิดแสงสว่างแห่งธรรมเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงเห็นเกิดแล้วก็สิ่งใดมีการเกิดขึ้นแล้วต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนี้จะมองไม่เห็นถ้าไม่มีธรรมาเห็นว่า ไม่มีอะไรตัวไม่มีตัวตนอันนี้ยิ่งยากเนี่ยทุกคนมองในโลกนี้เห็นเป็นตัวตนหมดเห็นตัวหมอไม่ใช่จะเป็นตัวตนเห็นตัวเราก็เป็นตัวตนแต่ความจริงมันไม่ใช่ตัวตนมันแค่อาการสามสิบสองที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเห็นธรรมาจากธาตุสี่นิน้ำลมไฟแล้วก็ต้องแก่เจ็บตาย ต้องแยกธาตุต้องแยกกันออกไปในวันวันหนึ่งธาตุทั้งสีก็แยกออกจากร่างกายนี้ไปส่วนผู้ที่มาครอบครองร่างกายก็ก็เป็นธาตุรู้ธาตุที่คิดได้เป็นส่วนที่คิดที่รู้อันนี้เป็นเรื่องสองแสงสว่างแห่งธรรมนะความรู้ที่เป็นความรู้ทางธรรมที่ทางโลกเขาไม่รู้กัน ถ้ไมพระเจ้ามาส่งมาตัดสรมาสอนนี้พวาเราจะไม่รู้เรื่องราวหรอกนี่ก็เหมือนกับคนที่ไม่เข้าหาศาสนาเขาไม่รู้เรื่องราวเหล่าน his, ori, ี้ทำไมคุยเก็เน่ยรู้จากอริยสัจสี่ไหมรู้จักการสามจุดสองไหมรู้จักธาตุสี่เหนน้ำลมไฟไหมไม่รู้หน่ะแต่คนที่มาศึกษา คำสอนพระเจ้าก็จะได้ความรู้เหล่านี้ไปนึ่เป็นแสงสว่างเรีว่าเป็นแสงสว่างทำให้เราเมื่อก่อนมองไม่เห็นมองเห็นร่างกายเป็นของทึบอี่างเห็นแต่ข้างนอกแล้วที่ยวข้างในก็เป็นของทึบในข้างในมันยังมีส่วนประกอบเป็นหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นกันร่างกายเราไม่เหมือนกล้วยกล้วยข้างในมันก็มีแต่ของทึบเป็นเนื้อชิ้นเดียว หรือมะม่วงก็มีชิ้นเนียวเป็นเป็นเนื้อไปหมดแต่ร่างกายของคนนี่มันมีโครงกระดูกมีอวัยวะต่างๆเต็มไปหมดมนี่ก็คือความหมายของแสงสว่างแห่งธรรมถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมก็จะหายหลงแต่จะเห็นว่าร่างกายนี้สวยงามก็จะเห็นว่าไม่สวยงาม แต่คิดว่าร่างกายนี้จะอยู่ไปเรื่อยๆก็คิดว่ามันต้องตายมันมันต้องแก่มันต้องเจ็บต้องตายแต่ต้องต้องพยายามปลุกแสงสว่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าไม่ปลุกเนี๋ยมันก็ลืมถ้าไม่ไปเจรจาอยู่เนืองๆต้องเจรจาอยู่เรื่ อ, มมอ ย, อ, อ, า อ, ย อ, อาการทารุณิสสองปวดยาเจ็บได้เนี่ยติดน้ำลงไฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคอยฟังเจรจาอยู่เรื่อยๆมันถึงจะไม่ลืม ไอ้พิจารณาปั๊บบัญชีก็มองเห็นเป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้ขึ้นมาสิเป็นหญิงเป็นชายเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลหรือเป็นตำรวจเป็นจะมองเห็ like <issible> media, นแบบอย Zelda ่างนั้นไปหมดนะนี่ก็พูดเยาะๆนอกจากเป็นหมออยากจะถามอะไรพื่ีพิเศษก็ถามได้ก็ก็เป็นเอความโชคดีอย่างมากที่ได้มา ได้รับความรู้แล้วก็พระอาจารย์ได้แบตตาสั่สอนให้เข้าใจแสงสว่างแห่งทางนี้ซึ่งก็ไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้มีโอกาสรู้แล้วก็ได้นำไปปฏิบัติก็ทำให้ขายทุกข์ายหลงได้ตั้งทุกข์ความหลงต่างก็ดีขึ้นครับอาจารย์ความกลับขอบพระกุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ ก็้องกราบพระพุทธเจ้านะครัพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้ความรู้เหล่านี้มนะและ้วก็เพียงแต่เป็นผู้รับคํารู้มาถ่ายทอดให้อีกทีหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ไม่รู้หรอกก็เป็นบุญวาสนายอย่างสูงที่ได้มาพบป้าอาจารย์ที่พ้าอาจารย์ได้เมตตาสัมผัสกันครับน้องไม่ได้น้องไม่ได้พระพุทธเจ้าแต่ภาษาพุทธที่ท่านเป็นผู้สืบทอดคําสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้ คูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงตามมหาบวัวเนี่ยท่านก็เป็นผู้สืบทอดก็มาเป็นทอดทอดถ้าเป็นนักวิ่งโอลิมปิกก็นักวิ่งผันสี่คนร้อยก็ในการถ่ายทอดไม้ผันมาให้กันถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เหลนี้ความ ร, รู้ถึงแมนจะไมีอยู่ในาาฟอสไซด์ปด็กก็อ่านไม่เข้าใจกันนอ่านแล้วก็งงต้อแปลอีกที่หนึ่งใช่ครับจะเขาเป็นความโชคดีครับที่มา กพบกับอาจารย์เพราะอาจารย์ได้เทศนาสัมสอนให้เข้าใจได้ง่ายๆจากสิ่งยากๆก็ทำให้เข้าใจง่ายเหมือนตอนเรียนอยู่ในมาหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์บางท่านจบด็อกเตอร์มาจากเมืองนอกเนี่ยมาสอนไม่รู้เรื่องเลยครับพูด อ, อะไรแบบไม่รู้เรื่องออกข้อสอบปก็ญากเรียนก็ตกกันเป็แถวแต่อาจารย์บางท่านมาสอนให้เข้าใจง่า ย, ายๆเนี่ยเรีกไว่าเป็นบุญวัฒนาอย่างสูงครับที่ได้มาพบ พระอาจารย์ซึ่งสอนสิ่งยากๆให้ก็จะได้ง่ายๆแล้วนําไปปฏิบัติแล้วก็ได้ผลอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาสอนครับพ ร, พระอาจารย์ดีดีดีใจด้วยที่ได้นํา ม, มาไปใชใ้เกิดประโยชน์นะโอเคสาวทุกคุณครับอาจารย์คุณสาธกาเชิญใช่น่าร้อนไหมใช่น่าช่วงนี้ร้อนมากครับอาจารย์ ค่ะมาฟังธรรมค่ะพระอาจาย์ไม่มีคำถามค่ะมาเอาแสงสว่างแห่งธรรมนะใช่ค่ะทําไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไม่จะได้ไม่มืดบอลเนาะจะได้สว่างสว่าไม่น่าจะมืดนะคะค่ะค่ะอาไม่พูดว่ามามืดถ้าไปสว่างนะอย่ามาสว่างแล้วไปมืดนะไม่ได้ ไม่ไม่หนระอกอนีออ่ยมาสว่างแล้วก็ไปสว่างยิ่งขึ้นมาออสว่างแล้วก็ไปสว่างยิ่งขึ้นก็ก็ก็ก็ทําไปเรื่อยๆจนตาย อ, อ่ะค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีที่ที่ฟังอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามั่นใจมากเกินไปบางคนที่เห็นปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะอย่างพระ หมายถึงว่าที่อ่านเจออย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์เป็นแบบสิบสิบปีอะไรอย่างเนี้ยก็ยังหลุดได้รู้ว่ามันต้องถึงตอนปัาจัา ย, ยถ้าไม่ปฏิบัติมันยังหลงได้เพราะาเราอ่านไปแล้วเราจรินตนาการไอ้ตัวที่มาจินตนาการก็คือตัวกิเลสมือนมันก็หลอกเราเองอ่ะก็เลยบางทีแบบไปเจออย่างเงี้ยอะไรแป๊บเดียว แล้วก็บอกเป็นกระทงมาธาดุลูกว่ามันไม่น่าใช่ตุ่มเกินไปรู้วว่าต้องอายุแบบอันนั้นเลยเออเที่ลูกเห็นจะคนปฏิบัตินะพระอาจารย์ลูกแม่ด้วยง น, นะคะต้องตอนปาอลายนะรอาจารย์ไปเรื่อยๆค่ะรี่จาชาจนไปที่ร้านยายยายกระลัยา ย, ยายกรล้าน อันโดนนักน้อยบันดไม้ได้ไหมนมัสการค่ะอาจารย์ยังไงคุณยายขึ้นกับเท้นะคะดูสดใสเนีะสงการลูกลายมารถน้มาให้รดน้ำแ่บรดน้ำมาให้สงการ ก็ได้ได้ามที่ไปต่างจังหวัดนะคะค่ะคุณยายไปต่างจังหวัดพระอาจารย์ช่วงสงการ อ, อืมแล้วลูกหลามันรถน้าคุณยายบ้า ง, ง, ง, งหรเปละนะ่ารถขับรถครับแสดงความคารวะนะสามาคารวะกตันยูกาตะเวทีนะครับ<า>อืมอ่าก็ช่วงสกงการที่ผ่านมาคมา ร, ารับระอาจารย์ก็ พาคุณยายไปเที่ยวอีสานพ <g ül> าพายายไปตามรอยหลวงปู่มัน <g ül> ่นไปกาไปพิพิธภัณฑ์ไปดูพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มัน่นว่าไปไปของวัดป่าสุทาวันแล้วก็ไปอ่าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีหลวงตาฮะไปะวัดป่าวันตา อ, อ, แ, อแล้วก็ตอนตอนที่ไปวัดป่าวันตาตรงพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดียายเขาก็เริ่มเหมือนแบบ อ่าเริ่มเกิดปิติมากแล้วแต่พอไปถึงวัดป่าสุทาวาดอ่ะเหมือนคุณยายเข้าไปในห้องนิทรศการในไม่รู้แล้วก็ไปเห็นภาพหลวงปู่มั่นนั่งสมาธิเป็นภาพวาดนะหลวงปู่มั่นนั่งสมาธิอยู่เชิงหน้าผาคุณยายคุณยายอยู่อยู่ก็ร้องง่ายร้องร้องแบบร้องแบบโอ้ร้องร้องร้องแบบรูปหลานน้องเข้าไปปลอบไม่ได้คิดอะไรนะทร อยู่ๆก็ร้องไห้ขึ้นมาตลอดเลยนะคะปิติปีติกความปิติมั้งครัยังไม่ทันได้ดูฟังอะไรเลยคุณยายเข้าไปถึงเห็นลูกหลวงปู่มานยายก็น้าตาคอร้องลองลองโดยที่โดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ก็ร้องไห้ออกมาเองเลยคะ่ะแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขใช่ไมไม่ใช่น้าตาอแห่งความทุกข์ใช่ม เป็นความรู้เป็นความสุขความสุขความสุขครับพระอาจารย์นี่เรื่องปิติความดีดีใจค่ะก็ดีได้กาได้ได้กาพระพระอริยนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งพรเจ้าบอกการได้เห็นสมณะนะสมณะนันจาดทัศนามเอตมังกลมุตตมังการได้เห็นพระอริยมงคลเนี่ย สมัญะก็คือพระอริยบุคคลสี่ระดับพระโสดามันพระสกิรดาคามีพระนาคามีพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นท่านเหล่านี้แล้วเป็นมงคลเพราทําให้จิตใจมีความสุขแล้วท่าได้ยินได้ฟังธรรมจากท่าน ย, ยิ่งจะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปได้จะได้แสงสว่างแห่งธรรมด้วยเป็นมงคลต่อจิตใจ จิตใจจะได้เจริญขึ้นมีความสุขมากขึ้นคยังมีโอกาสกับรบกามนะถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไปกบกามด้วยก็ดีไปฟังเทศฟังธรรมอย่างท่านกันฟังอยู่ครับฟังฟังทางสู่มอยู่อก็มีหลายองคหลายอาจารย์ ด, าา ด, ยด้วยกันกาม มีอะไรไหมวันนี้ก็วันนี้นอกจากจะมารายงานว่าคุณยายน้ำตาไหลไม่หยุดก็จะมาเรียนพระอาจารย์สองอย่างครับผมอย่างแรกคือผมว่าผมน่าจะมีกรรมในดิจตาชาติกับพวกต่อพวกแตนนะพระอาจารย์ไปวัดป่าบ้านตาดคราวนี้ผมโดนแตนต่อยพระอาจารย์แล้วไม่ใช่แค่ที่วัดนี้คือแบบ ก่อนหน้าเนี้ยตอนไปที่พิสาณหลายเดือนก่อนหลายอะไรก็โดนโดนโดนมาสามสี่ครั้งผมยืนมาถามพระอาจารย์แบบผมต้องทําไงพระอาจารย์คือต้องใช้หรือยังไงหรือต้องแผ่เมตตาหรือทําจะทําใจไหมแผ่เมตตาไปทําใจไหมก็อยู่ด้วยกันแบบหุกยากระยาอย่าอย่าไปทําร้ายเขาอย่าไปสาบโตเขาอย่าไปล่างแค้นทำาจเที่ยวใช้ใช้กรรมไปก็แล้วกัน ครับเป็นผมสมัยก่อนก็ไม่แน่แต่ตอนนี้ผมก็เจ็บแต่ผมก็ทั้ง mm hmm. มันอืมก็ไม่ได้ทําอะไรที่ที่น่าเจ็บใจว่าอาจารย์คือผมยืนอยู่เฉยๆนะจับยายอยู่ตรงพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีอยะยืนอยู่เฉยๆเลยนะเขามาของเขาเองแล้วอยู่ๆเขาก็เหมือนมาต่อยอนะ่ะแล้วเสร็จแล้วยายไม่รู้ผมก็ตัดก้มจับเท้าบอกโอ๊ยเจ็บมากเลย แล้วยายก็ไม่รู้ยายก็เดินไปเหยียบทั้งตัวแต่แต่ไม่ได้เป็นไรแตนไม่ได้เป็นไรนะฮะและแตนไม่ทำอะไรคุณยายทอกจากผมแต่คุณยายนี่เหยียบแตนไปทั้งตัวนะว่าจะยายมองไม่เห็นมองจุตาตั้งใจไม่ได้รู้ต้องอดทนก็ยอมรับกรรมไปทำใจเมนูบงคขาไปโอเคไม่อะไรไหม การการเรียนอาจารย์นิดหนึ่งต้งการปฏิบัติไปเทพิสัยอันนี้ก็ได้หลักมาเพิ่มคือสมัยก่อนเราก็ทําแบบเป็นแบบเรื่องอะไรเป็นฟอร์มอลบ้างมีการนั่งสมาธิอย่างน้อยต้องแบบครึ่งชั่วโมงอะไรในสมัยก่อนแต่ตอนนี้เราเราพยายามแบบเอามาปรับใช้กับชีวิตจริงที่มากเพราะฉะนั้นตอนกลางวันเนี่ยก็จะเน้นไปทางการพิจารณาสิ่งต่างๆเพราะมันจะมีสิ่งต่างๆเข้ามากระทบเยอะมากเลยพะอาจารย์แล้วก็ เราก็จะเอาไอ้สิ่งที่เข้ามากระทบเนี่ยเอามาน้อมลงกดไตรักในพระอาจารย์สอนครับผมแล้วตอนกลางคืนก็จะมุ่งไปทางการพัฒนาสมาธิเลยครับผมอาจารย์ก็จะพัฒนาสมาธิตั้งแต่แบบจะหลับแล้วก็ตื่นมาก็จะพยายามหาตัวสติที่เจอสมัยก่อ น, นก็จะหาพุโทโธตื่นมาก็พุโทโธหลับไปพร้อมพุทโธตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนความ เครื่องอะไงพระอาจารย์มันเหมือนความสบายใจอ่ะมันมันกลายเป็นแบบเราพุโทโธจนมันถึงแบบความสงบแบบสงบข้างในแล้วพอสุดท้ายเราไม่ได้หาพุโทโธแล้วตอนนี้เราหาความสงบของใจอาจารย์แสดงว่าเรามีสติที่จะทําใจให้สงบได้โดยที่ไม่ต้องใช้พุโทโธเลยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะงั้นั <laughs> ้นมันจะมาเองแล้วบาง<ร>ทีระหว่างวันก็หายอาจารย์ก็ต้องก็ <laughs> ต้องเอากลับมาถึงกับ ถ้ามันไม่สงบก็ต้องใช้พุโทโธถ้าใช้สติกาหนดให้มันสงบได้ก็ไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้ปฏิบัติถูกทางนะใช่ไหมถกต้อง น, นะเวลาอยู่เวลาอยู่กับเหตุการณ์ต้องใช้ปัญญาเวลาไม่ได้อยู่ในเหตุอยู่นอกเหตุการณ์อยู่ที่สงบอยู่ที่ลําพังก็ใช้ใช้สมาธิสลับกันยจงทําทอย่างใดอย่างหนึง่งเพราะมันต้องใช้ทั้งสองอย่างมันถึจะสู้กับกิเลสได้ เวลาอยู่เจอใครกับพุทก็พิจารณาเป็นสายนักไปหมดเป็นอนัตตาไปหมดเจอแทนต่อกาอนัตตาสเปธม า, านัตตาแต่พระอาจารย์ที่ตลกคือตอนจังหวะที่โดนไอ้ความเจ็บอ่ะคือเรามันละเอียดมากด้วยความที่เราคงสติไว้อยู่อะตอนเดินมันกลายเป็นแบบว่ามันเห็นชัดว่ามันจับ ค่อยๆโดนอะไรสักอย่างเหมือนทิมเข้าไปมันเริ่มรู้สึกถึงความเจ็บที่มันค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มแต่เราเหมือนแบบเราแบบยังทำใจให้มันแบ บ, บ, บ, บปกติไว้ได้ไม่ได้แบบคลีตอะไรถ้าสมัยก่อนตอนยังไม่ปฏิบัติอาจจะแบบคลีบ้างอะไรบ้าง <c oughs> แต่นี่พอแบบมีสติมันเตือนตัวเองได้แบบเฮ้ยฉันอยู่ในวัดฉันต้องไม่กลีแล้วถ้าเราถ้าเราเฉยได้แผวที่ถูกต่อมันก็จะไม่มันจะไม่รุนแรง ออื mm hmm. เป็นสัปพักกันเนี่ยมันก็หายแต่ถ้าเราไม่มีปฏิกิริยาเนี่บางทีมันจะทําให้เกิดเป็นอาการบวมขึ้นมาใหญ่เลยเช่นถ้าเรารู้เฉยๆส่วนให ญ, ญ่ด้วยอากาศอะไรต่างมันก็จะไม่มันมันจะไม่ขยายตัวแต่ถ้าเราไปตื่นเต้นตกใจให้มาเนี่ยมันจะทําให้เกิดการขยายตัวของแผลให้บวมมากขึ้นใหญ่ ใจมากขึ้นครับฝึกสร้างข้ออะไรนะฝึสสมาธิฝึกสร้างปัญญารักษาอยู่ถ้าอยู่ในสภาวะที่ทุกคนจะใช้ปัญญาก็ใช้ปัญญาเวลาที่ไม่อยู่ในสภาวะที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ปัญญาก็ฝึกสมาธิไปเราต้องเราต้องมีอุบเบกขาเยอะๆเพื่จะสู้กับความทุกข์ต่างๆได้จแะ ตอนนี้ก็เริงสปีดเหลือแต่ลอขึ้นทางด่วนเรียนเจบแล้วก็ไปบวชเลยครับก็แพลนแพลนที่รู้ว่าอานิจังจะเข้าครอบงำแต่วางไว้ก่อนคือมีแพลนว่าเดี๋ยวเรียนหมอก่อนให้ให้เรียนจบหมอเป็นหมอสักพักแล้วค่อยไปบวชแต่แต่บวชเนนเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีก่อนที่จะตอนนี้จะตั้งใจเรียนสุดขีดก่อนเข้ามหาลัยเดี๋ยว ต้องบทนี้อีกรอบโอเคแต่กำลังหาหาที่บวชอยู่โอเคอาจารย์ครับครับอาจารย์วันลีตอนนี้ยังอยู่ที่เโยโต้หรือเปล่ายอยู่ที่ียโตเหมือนเดิมครับภาษาญี่ปุ่นยังนิ้งเก่งไหมครับก็ก็มีความสุขในการเรียนขึ้นเยอะครับเริ่มปรับตัวได้คร yeah. ับอืมก็ ก็นั่งทําการบ้านไปฟังธรรมากไปครับก็ก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างครับก็ก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วก็ดีใจที่ได้เข้ามาแต่อยู่ข้างนอกก็อ่าจทำมะบ้านเหมือนกันแต่กท็ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งมันก็ยังก็ไม่หลวงพ่อก็บอกว่าไม่ต้องไปดีใจเสียใจอะไรให้พยายามมองกลางๆไว้อย่างเช่นคุณยายผมตอนนี้เขาก็จะเก้าสิบเอ็ดแล้วเขาก็ จะเรียกว่าอะไรปิดเตียงแล้วครับหลวงพ่อืมก็ก็เรียกว่าไงนะผมก็จะบอกตัวเองว่าไงตายวันนี้ตายวันไหนไม่รู้คือก่อนมาญี่ปุ่นก็ทํำดีเขาที่สุดแล้วเพราะถือว่าเรามาอยู่ต่างประเทศเขาจะตายตอนผมอยู่ญี่ปุ่นก็ได้ผมก็คิดอย่างนี้ทุกวันครับตอนอยู่ไทยแล้วตอนอยู่ญี่ปุ่นเราก็ก็ก็ยางไงก็ติดต่อที่บ้านบ้างเหมือนกันอะไรแบบนี้ก็ก็หลวงพ่อตอนนั้ น, ม, นมันเป็นของที่เราไว้กำหน ด, ดสวดเกณฑ์ไม่ได้หรอกจะตายเมื่อไหร่ ตอนนั้นพาคุณยายไปกลับหลวงพ่อตอนนั้นอะไรอายุ80หลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิน80คือกำไรแล้วพ่อพูดให้เจ้าอายุ80หลวงพ่อเคยพูดอย่างนี้ครับกำไร mm hmm. ก็ตอนนี้ปีนี้91ครับก็ก็ mm hmm. อัลไซเมอร์ด้วยแล้วติดเตียงด้วยก็แบบก็มีเหมือนอะไรพยาบาลติดตัวอะไรประมาณนั้นครับ mm hmm. ก็แล้วแล้ที่บ้านผมตอนนี้ก็น้องชายคนเล็กก็ติดคณะแพทย์ครับที่เคยมาหาหลวงพ่อตอนเป็นเบบีครับ mm hmm. mm hmm. ก็ ส่วนน้องสาวครับส่วนน้องสาวเขาก็กาลังจะไปเรียนปอโท ต, ต่างประเทศน่าจะอเมริกาครับอืครับก็น้องชายคนเล็กเขาก็จะได้ฝึกเมตตาต่อคนไข้เหมือนกันเพราะเขาจะได้เจอรูปแบบคนไข้ที่แบบหลากหลายอะไรแบบนี้ที่จะเป็นอาชีพที่สร้างบุญได้เยอะก็ส่วนผมก็จะแพยายามในทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็ผมไม่คิดถึงความตายบ่อยเหมือนกันนะครับอย่าง ตัวเองด้วยแหละครับความตายตัวเองว่าทรัพย์สมบัติอะไรยังไงมันก็เอาอะไรไปไม่ได้มันก็เลยอยากสร้างความดีแต่ว่าถ้าอยากสร้างจริงๆก็คงไปบวชแล้วแต่เอาเป็นว่าเป็นคารวะที่ดีที่สุดก่อนเอออย่างนี้ครับก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําทได้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆครับแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วผมโทรไปหาอะไรครับโทรไปหาคุณลุงชมคุณลุง ช, ชุมพรนะครับที่ไปบวชนะครับหลวงพ่ออืม ก็เขาเขาก็รู้ว่าทราบข่าเขาจะบวชเลยโทรโทรไปว่าเขาเป็นยังไงก็อนุโมทนาบุญกับเขาไปครับอืมก็กก็็รู้สึกตื้นตันใจเหมือนกันที่แบบที่เขาใจเดี่ยวอะไรแบบนั้นเขาก็เล่านู่นนี่ให้ฟังก็แบบอำลาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าหลังจากนนเี้ก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วเขาบอกว่าถ้าจะติดต่อต้องไปหาเขาที่วัดนะอะไรอย่างนี้วัดที่ระยองนะครับอืมวะไรรแบบนี้ครับก็อนุโมทนาบุ บุญกับเขาไปอืมแล้วก็เวลาผมอยู่นี่ผมเห็นคนแก่ผมจะคิดว่าคนแก่ทุกคนอนะ่ะเคยเด็กมาก่อนเหมือนผมใบนี้แล้วผมก็เคยเป็นเบบีเป็นเด็กน้อยที่มีพ่อแม่คอยเลี้ยงดูแต่เวลาผมเห็นเด็กผมไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นนะ่เขาจะได้แก่ไหมเพราะชีวิตบางคนเขาจะตายตั้งแต่เด็กก็มองดู อ, อย่างนี้นครับแล้วก็ mm. ครับเพราะคนแก่ทุกคนอนะ่ะเคยเด็ก แต่ไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะได้อยู่ถึงแค่ประมาณนั้นนะครับอ่ดีไม่มีอะไรแน่นอนนะนะคนครับก็พยายามสร้างที่พึ่งของใจครับว่าว่าถ้าไม่ถ้าใจเราเป็นที่พึ่งไม่ได้ก็ไม่รู้จะอะไรเป็นที่พึ่งเพราะฟังกับหลวงพอ่อว่าใจเป็นที่พึ่งก็คือใจที่มีพระพุพะทธพธรรมผระสง์ก็พยายามทำให้มันชัดเจนมากขึ้นครับก็กดีดีมากทำต่อไปนะ ก็ใช้ใช้สมาธิช่วยในการเรียนได้ดีเหมือนกันครับพี่หลวงพ่อเคยสอนเรื่องอะไร ừ, อิธิบาทสี่ในการเรียนนะครับอ <ừ, S 2> ืมก็ต้องอจริงใจหรือความตั้งใจครับมันเป็นตํานวลที่แบบทาไมมันคมขนาดนี้เนียอืมเป็นภาษาไทยเลยครับ ừ, ừ, จริงใจก็แล้วแต่ต้องจริงใจแล้วมีความอะไรจริงใจหรือความตั้งใจมันแบบมันเป็นภาษาที่สวยมากเลยครับได้ยินว่าหลวงพ่อเคยสอนดนวยว่าคำว่าศัทธาที่ฐา้นี่ วันอีิฐานคือความตั้งใจสัจจะก็คือความจริงใจราวุจเจาวตั้งสัจจะอธิฐานใต้ควรต้องผลครับครับทุกวันนี้คําสอนหลวงพ่อแต่ผมไปหาหลวงพ่อแต่ปอห้ายังยังจําไม่เคยลืมครับก็เลยได้ถึงที่ครบาจารย์เวลาไปหาหลวงปู่มาหรืหลวงตามาบัวที่เจอกันครั้งแรกปรั๊บก็ตราหนึ่งจิตตั้งแต่วันแรกจนวันแก่เท่าอะไรหลวงปู่หลวงคูู้บาจารย์ก็จะมีเรื่องเล่าอย่างนี้ครับอืม ครับก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้เข้ามาครับผมพ่อก็จะพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับดีที่สุดของผมก็คือแบบอะไรอ่ะก็จะสติเป็นตัวนำธรรมะนาก็อาจจะมีทิดพลาดบ้างอะไรเล็กน้อยแต่ก็อยากให้ใจเสียถ้าเสียก็ต้องรีบกู้กลับมาอย่องนีก็ดีใจครั บ, อ, รบอยู่ในสีดำกนแล้วกันนะครับสาธุครับ อไปที่อาจารย์พรมพี่ได้สับคุณอนุ ก, กูลอนุ ก, กูลนะขอบคุณดี อ, อาจารย์ขอบรักอาจารย์ครัอาจารย์อตอนนี้หายเป็นปกติหรือยังใกลใกล้แล้วครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็น่าจะได้จากแปดเก้าสิบแล้วครับแปดเก้าสิบแล้วนะอืมดีบอดหายใจได้เป็นปกติแล้วอ่ายังเป็นข้างคราวค่ะยังเหนื่อยอยู่เป็นข้งข่าวอ มันต้องใช้เวลาหน่อยนะอายุมากแนละ้วทิศที่ผ่านมาพระอาจารย์ต่อเนื่องกันหลายวันเลยนะครับก็มันเป็นกรรมของเราอน่มันมันมันไปทางไหนก็ไปไม่ได้เหมือนแต่เวลาก็ต้องออกมาพูด <c oughs> แต่ผู้ฟังนันแน่นเหมือนเดิมมถึง <c oughs> ถึงจะอากาศร้อนนะ้ำพระจันทร์ก็ ได้นี้นอันอนี้มีสาระสารานั่งเพิ่มสองหลังมันกม็มีที่นั่งเย็นสบายคนงานนั่งเ <c oughs> ย็นสบายนี่ยคุณก่อนที่ไปไปฟังหน้ากุศลก็นั่งหลังสุดเลยค่ะอโบราณมีที่กัน้นก็ไปนั่งโต๊ะอี้หลังสุดก็มีลมเย็นดีอืก็เดี๋ยวคงจะได้ไปในเร็วๆ ว, วันนี้ค่ะเดี๋ยวรอให้คุณตุกูลแข็งแรงอีกนิดหนึ่งก็ไป ไปพักที่โรงแรมที่เขาบริการรถพาจานเนาะดีดูน่าจะดีแ่เดี๋ยวดีใช่่ะอยู่ที่นั่นหนึ่งทั้งสองสามวันก็ดีดีมากค่ะโอเควันนี้ไม่มีอะไรค่ะโอเคก็มากลาบค่ะอ่ายหายเร็วๆนะพาจันธาัุกแข็งแรงค่ะาไปที่คุณน้องคุณแม่น้องหลิน กับสพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะ่ะได้ยินจ้ะกับสาทุกค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้หนูก็พระอาจารย์คะหนูก็มีเรื่องมาขออนุญาตสอบถามเจ้าคะ่ะก็คือว่าเรื่องสัญญากับปัญญาเจ้าค่ะพระอาจารย์ในในสายของของหนูเป็นการด้านการพยาบาลใช่ไหมเจ้าคะ่ะเรื่องโรคและอาการนี้เจ้าคะ่ะคือโดยการอ่านใช่ไหมเจ้าคะแต่พอ มีประสบการณ์ก็คือพอมาเป็นเองอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราเป็นมันมีอาการลักษณะประมาณแบบนี้อย่างโรคทางสมองโรคทางโลกระเพาะอะไรเงี้ยเจ้าค่ะความความเจ็บความปวดความทรมานเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยมันเหมือนแบบลักษณะเหมือนช่างซ่อมรถยนต์อ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยอ๋อรู้อาการแล้วก็รู้ก็เลยลาารูวลยล้วิธีการแก้ปัญหาเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่าง แต่ก่อนหนูเคยเป็นโรคกระเพาะพอหนูลองปรับตัวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์โรคกระเพาะก็หายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเคยเป็นลมพิษวีละครั้งปัจจุบันก็ไม่เป็นลมพิษอย่างนเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้ดีใจเจ้าค่ะพระอาจารย์พอหนูมีโอกาสมาได้กังพระอาจารย์แล้วก็มาพิจารณาตัวเองด้วยอะคะ่ะก็เลยได้ทำมาโอสถแล้วก็มาเข้าใจอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์สภาวะหลายๆอย่างคือ โรคที่เคยเป็นประจํามันก็ไม่เกิดขึ้นอนี้ยเจ้าค่ะแล้วก็พอมันมีปัญหากับอวัยาวะก็ไม่ค่อยเอทุรนทุรายแล้วก็ได้ยาทางใจมันมันเลยได้เห็นประโยชน์เจ้าค่ะพระอาจารย์พอใจมีกําลังดีแล้วมันทําให้ร่างกายนี้แข็งแรงเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์โดยที่ไม่ต้องทานยาประจําเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยว่าอกหนูก็เลยบอกว่าได้ประโยชน์มากเลยค่ะพระอาจารย์จากพระอาจารย์ด้วยค่ะ ดีใจเป็นใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจดีร่างกายก็ดีตามถ้าใจไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีตามสาธุค่ะพ้ <Okay. S 2> อยจาร์บอกว่าถ้าหนู<ม>จะกินแต่ยานี้หนูก็ต้องเพิ่มแบบโรคไตโรคตับโรคอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกหนูเวลาคัดกรองผู้ป่วยเวลามาพบแพทย์อย่างงี้ก็ต้องดูว่าคนไข้นี้มาทางใจหรือมาทางงาน<ม>พอ ส่วนตัวมาเป็นพยาบาลและเป็นเองก็เลยรู้โอคนไข้เจ็บหัวเขาเจ็บปวดประมาณตรงนี้ค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้รู้จักทุกทางร่างกายด้วยค่ะแล้วก็ลุกทุกทางใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยโชคดีที่ปฏิบัติธรรมหนุกยอหนูก็เลยเห็นว่าอ้ถ้าปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะคือถ้ามีพลังทางการปฏิบัติมันก็จะช่วยด้านความทุกข์ทางร่างกายได้เยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ นี่เจ้าขาโอเคอมีท่านนี้ใช่ไหมเจ้าพระอาจารย์โอเคอนุถนัปฏิบัติต่อไปนะเจ้าขสาธุค่ะคุณบอกภาสนาเช่นอ่ากับธรรมสกานค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติสม่าเสมอค่ะก็ยังรู้สึกสงบดีค่ะพระอาจารย์ยังไม่ได้อยากอะไรนี่โอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ เตรียมคุณพ่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะได้พาไปนะซื้อรถอะไรเรียบร้อยและะ้วหัดเดินอยู่ะอาจารย์โอเคสาธคุณขอบคุณค่ะคุณสวัสดสวัสดเอ็กซ์ัสกลับมามารการพระอาจารย์เจ้าค่ะรู้ขอร่วงฟังเจ้าค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคนะะไปที่ ที่กเบประเทศญี่ปุ่นสุณจุจากนักวัฒการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้หนูมีคำถามเจ้าค่ ะ, ะถามได้เลยพระอาจารย์คะโยนิโสมนานัสการคือการคิดอย่างแยบคายใช่ไหมเจ้าค่ะใช่พิจารณาอย่างแยบคายถ้าสมมติ ใช้มากไปนี้มันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านไหมเจ้าคะก็ดูเอาเถอะถ้ามันฟุงก็ฟุ้งถ้ามันไม่ฟุ้งมันก็ไม่ฟุ้งแล้วแต่เราพิจารณาถ้ามันแยบคลายมันถ้ามันเป็นปัญญามันจะไม่ฟุ้งถ้ามันเป็นกิเลสขึ้นมามันก็จะฟุ้งเข้าใจแล้วเจ้าค่ะถ้าเป็นปัญญามันจะสงบจิตมันสงบไปเห็นตายรักเห็นชัดเจนหรือไมจะสงบ แต่ถ้าเป็นกิเลสพิจารณาไปอาจจะเกิดอาการไม่ปกติขึ้นมาเกิดอาการกลัวเกิดอาการอะไรขึ้นมาแสดงว่าเป็นกิเลสแล้วพิจารณายังไม่ได้ต้องหยุดก่อนถ้าพิจารณาความตายลำ ใ, ใจ่มเศร้าลำซึมเนี่ยแสดงว่ายังไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พร้อมที่จะพิจารณาทางปัญญาจิตยังไม่พร้อมสมาธิยังมีไม่กำลังไม่มากพอจะฝึกสมาธิก่อน จิตใ น, นอุเบกขาแล้วเวลาพิจรารณาความจริงเช่นความตายก็ยังยังไม่เกิดอาการนเศร้าแล้วเกิดอาการโคตรหูขึ้นมาเข้าใจไหมเข้าใจแล้วจ้ะค่ะต อ, อนนี้ตอนนี้พิจารณาทางปัญญานะจิตต้องมีสมาธิก่อนโดยเฉพาะเรื่องที่มันเรื่องเงนที่น่าน่าวาดกลัวต่างๆเช่นอสุภะอาการสามสิบสอง ซากศพอะไราจิตได้มีสมาธิไม่มีอเมุเบกามันจะพิจารณาไม่ได้พิจนารณาแล้วมันจะเกิดอาการหวาดตัวขึ้นมาบางคนไปดูดูศพในบางทีถึงกับาดีนี่ก็มีอ้วก เ, เป็นลมก็มีจะเป็นลมอะไรก็ ม, กมแีแล้วจิตยังไม่มีสมาธิพอต้องฝึกสมาธิก่อนจ้า เป็นไหมของเราเป็นไหมเราพิจารณาเป็นไหมไม่เป็นเจ้าค่ะเนี่ยในิจ <ละ S 1> เ, เร า, าเป็สมาธิพอสมควรเนรี่ะก็ต้อืมก็ไม่โยเบต้าวางเฉยได้พิจารณาแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยไม่เศร้าไม่กลัวไม่อะไรนั้นในพิธานีเหรอ มีเท่านี้เจ้าค่ะจริงๆ <Okay. S 2> หนูหนูก่อนที่จะเอาถึงวันพุดนะบางทีหนูปั่นจักรยานไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มีความคําถามขึ้นมาจะถามผู้อาจารย์แต่พอผ่านไปผ่านไปมันเหมือนได้คําตอบเองเจ้าค่ะผู้อาจารย์บางทีค่ะบางทีเราไปเราพิ เ, าพเจรจาเองมันได้คําตอบนี่นจะดีกว่าได้คําตอบจากคนอื่นจ <c oughs> คําตอบที่เราได้มันจะอยู่กับเราเหมือน พอเราจดจำได้แต่ถ้าเราไปฟังคำตอบจากคนอื่นคนทีฟังแล้วเดี๋ยวก็ลืมได้เจ้าค่ะมันจะเป็นสัญญาถ้าเราหาคำตอบได้โดยเองมันจะเป็นปัญญาปัญญามันจะไม่ลืมสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองนี่มันจะไม่ลืมแต่สิ่งที่เราเรียนรู้จากคนอื่นมันลืมได้พอเราฟังไปสักพักเดี๋ยวเราไม่ได้คิดถึงมันมันก็ลืมได้เไ ใช่ค่ะใช่โอเคนะก็ให้พระอาจารย์มีธาันแข็งแรงนะเจะ้าค่ะนะเจ้าค่ะแา้วคุณมา เ, เชิญอยูดท่5วันไปเลยที่ไหนหรือเ่ากลางหลวงพ่อค่ะไปค่ะหลวงพ่อไปไปนอนวัดค่ะไปนอนวัดแล้วก็ไปนั่งปฏิบัติอ อ, อกมาข้อ ไม่มีใครอยู่แล้วค่ะแล้วก็ออกมานั่งข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะประมาณตีสองครึ่งเงียบสงบดีมากเลยค่ะแล้วก็ออนี่หนูหนูจะขอถามว่าถ้าเราปฏิบัติมาเรื่อยๆเรวนั่งสมาธินานๆมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากที่มันเคยรู้สึกปีติรู้สึกเป็นสุขแต่ว่าตอนเนี้ยมันเฉยๆแล้วค่ะเพราะมันไม่ไ ด, มไมได้มันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรใช่มันจะเป็นเวพาะช่วงใหม่ๆช่วงแรก ต่อไปมันก็จะไปที่อุเบกขาอย่างเดียวนิ่งสงบงั้นเราไม่ต้องการไปติดแล้วสุขขอให้เราเข้าสู่ความสงบนิ่งเป็นอุเบกขาเนพะียพอค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วยิ่งตอนนังคืนมันเนียมันยิ่งมันยิ่งไปไปนานนะคะหลวงพ่อหมายถึงว่ามันนั่งนานนั่งนั่ง คามสงบสตองสถานที่มันจะทําให้จิตสงบได้นานได้มากขึ้นค่ะ<ฆ>กายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกค่ะแต่ว่าสถานที่ก็มีส่วนใช่ไ่มคะหลวงพ่อมันมันแ น, น่นอนสถานที่ที่สงบเหมัอนก็จะทําให้สงบมากสถานที่ไม่สงบเหมือนจะทําให้สงบยากค่ะแล้วอย่างนี้ยคือความหมายของหลวงพ่อว่า ถ้าเรานั่งแล้วมันเฉยๆไปเรื่อยๆทีนี้เวลาเรามาพิจารณาทางปัญญาเราออกจากสมาธิแล้วอะค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนเราเวลาเราพิจารณาเนี่ยเราเห็นเห็นด้วยตาเนื้อเราพยายามพิจารณาซ้ำๆำๆ้ๆจนจนมันมันสะท้อนเข้าไปอยู่ในในจิตในใจหมายถึงว่าทำทำจนมันมันรับรู้ รับทราบด้วยใจจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อด้ยให้มันอยู่ในใจให้มันฝังในใจไม่ให้มันเลิศค่ะแล้วเวลาไปเจอความจริงก็จะได้ใช้ธรรมะนี้มามาสู้กับกิเลสแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจธรรมะแล้วว่ามันมันทำให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่ออย่างเช่นเคยโวยวายก็ไม่โวยวาย เคยทั้งคําพูดทั้งกิยุทธทั้งการกระทําหลายๆอย่างแนละ้วมันมันเปลี่ยนไปอะคะ่ะเพราะมันมันเหมือ น, นมันแน่นอนเพราะเรามีสติมากขึ้นเราจะทํำอะไรเราเราจะรู้ทันความคิดเราก่อนจะทําอะไระก่อนที่คิดอะไรจะทําอะไรเราจะรอบคอบกรรมเมื่อก่อนค่ะก็ก็คือมามาถูกแล้วใช่ไหมคะเราถูกดังแล้ว จะมีความสุ ข, ขุมรอบความมากขึ้นมีสติมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทําอะไรก็จะอารมณ์ก็จะน้อยลงไปด้วยแล้วเราจะดูถึงความที่เราเก้าวหน้าในการปฏิบัติตรงนี้ก็คือที่หลวงพ่อสอนคือให้ดูความทุกข์ในใจใช่ไหมคะหลวงพ่อใ่ว่ามันทุกข์อะไระหบือเปล่าแล้วก็ให้ดูกิเลสในใจของเราว่าเรายัางมีสามตัวอยู่หรือเปล่าใช่ไหมคะหลวงไม่เล่ากดหลงหรือเปล่า ยังยืดมันเธอมันยังยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้อยู่หรือเปล่าคะแล้วถ้าเกิดมันยังมีอยู่อย่างโทสะเนี้ค่ะหลวงพ่อแต่เรารู้ว่าโมโหแต่แบบมันพุ๊เราเราตัดทันทีเนี้ยมันมันก็ยังมีอยู่อย่างนี้ยค่ะก็ต้องไปตัดที่ต้นเหตุโทสะก็คือเรายังมีความอยากให้ให้ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่พอไม่เป็นเราก็เลยโกรธกันมา เราต้องหยุดความอยากของเราอยาไปอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มองนึกสิ่งว่าเป็นเหมือนดินฟ้ากันไปอยากกับมันไม่ได้ก็คือเราห้ามไม่ได้อะไรจะอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วใครจะพูดอะไรก็พูดใครจะทําอะไรเขาก็ทําไปค่ะก็คือให้ให้เราสอนให้มีสติสอนใจเราแบบนี้สัมปชัญญะอ่านตาัวอย่างเวลาหน้าตาสตเปิธรรมา น, นตาค่ะ <c oughs> เขาเข้าใจแล้วค่ะหลวง่อจะให้เขชมเราพอเขไม่ชมเราแล้วก็โกรธขึ้นมาสีใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเฉยๆก็จะชมคนได้ไปชมคนได้เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแลก็เข้าใจใชเข้าใจแล้วค่ะหลวงอือดีดีใจขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงค่ะลาลาที่ลาท่านนี้ก่อนนะค่ะขอบพระคุณค่ะ ไปที่คุณโอพีเคผู้เป็นน้ำกจากนวัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์สวดีนะเจ้าค่ะส่าสดีเจ้าค่ะก็มีโดนกิเลสนอกไปบ้างเหมือนกันเจ้าค่ะอาจารย์แต่ก็ดึงกลับมาได้เจ้าค่ะขอบพระคุณทัรมวาจาขพระพุทธเจ้าจากท่านอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะเช่ไหมอย่าเผลอเผลอกิเลสไม่เอาไปกินหมด ใช่เจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็มีมีแอบทะเลทรายนิดหน่อยเจ้าค่ะพรอาจารย์อิเัสเรียบไปแล้ทะเลทรายเรไแล้วกิเลสเราไปกินแล้วกิเลสเราไปกินแล้วแต่ยังไม่เลยเที่ยงนะเจ้าค่ะพอาจารย์ยังก่อนเที่ยงอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์สักคราวันก่อนอ่าลูกฟังเทปธรรมะจากท่านพรอาจารย์เจ้าค่ะได้ยินเรื่องอักขากรรมฐานเจ้าค่ะพรอาจารย์อื ก็คือกรรมฐานาาที่รักษาใจบางทีใจเราไม่เป็นปกติเมันเหมือนโครคไข้ไข้เจ็บทางร่างกายร่างกายเราบางทีเนี่ยก็ปวดท้องเนี่ยก็ปวดซีรษะเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมียากินเฉพาะใช่ไหะปวดซีสะก็กินยาอย่างหนึ่งปวดท้องก็กินยาอย่างนึ่งใจเราก็จะมีมีโรคที่ทําให้ใจเราไม่ปกติเช่นบางทีใจเราก็เกิดการมาลาคา้างเป็นไป ถ้าเกิดการบาราคาต้องใช้อสุภะพิจารณาสุภะถ้ า, าเกิดความโกรธมีเรื่องของคนค น, นั้นคนนี้ก็โกรธจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ว่าจิตมันโกรธมันร้อนเป็นพืนเป็นไฟมันต้องใช้เมตตาให้อภัย้ารหลังในสงสยัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ลองศึกษาพระธรรมให้มากขึ้นศึกษาคาสอนศึกษาชีวประวั ของพระพุทธเจ้าของภาษาวอกเป็นต้นให้รู้ให้เข้าใจมากนมันก็จะหายสงสัยได้ก็คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะได้แล้วแต่เหตุการณ์ว่ามันยินอยาจะเป็นเป็นทุกข์กับเรื่องอะไรมันก็ร่างก า, กายมันมันทุกข์เพราะปวดหัวก็ต้องยินเอายาแก้ปวดหัวมากินถ้ามันทุกข์เพราะปวดท้องมันต้องเอายาแก้ปวดท้องมากิน ไม่ใช่เอาอยาแก้ปวดหังมากินแก้ปวดท้องมันก็ไม่หายใช่ไหม uh huh. บางที่ใช้พุโทโธอย่างเดียวมันบัญญัหมองังยาสารพัดคือพุโทโธแล้วงนี้พุทโธเอาไว้อยู่จะทำไง uh huh. โกรธอนีนะพุโทโธไงมันก็ไม่อยู่ก็ต้องใช้แผนเมตตาต้องให้อภัยเขาไม่จองเวนจองกรงรมกันอาเวลาหุนตุกเวนไม่ละ ง, งับด้วยการจองเวนเวนย่อมลงงับด้วยการไม่จองเว ในการให้อภัยว่าให้ภัยใจก็เย็นลงไปงทันทีอาจารนี่คือราคากรรมฐานรู้สึกจะมีอยู่อยู่สีด้วยกันค่ะพระอาจาสย์สะคะแล้วอย่าง mm hmm. เวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดว่ายัางยังพุ่งซาดอยู่อย่างนี้จะคะถ้าเกิดว่าอยู่กับคำวิริมไม่ได้เนี่ยเราก็ไปทาง พิจาราก่อนได้พอพอเริ่มสงบก็กลับมาอยู่ที่คำบริกรรมไนได้ใช่ไหมถ้าเรารู้จักวิธีพิจารณาแล้วทาให้สงบได้ก็ไปแต่ถ้าไม่รู้ก็มันต้องใช้กายสวมดมนต์ไ้หรือพุทโธไปก็ได้<า>แต่ถ้าถ้ า, ถ, าถ้ารู้จักใช้ปัญญาในของแตกกรณีว่ามันมันเนื่องอะไรอย่างนี้<า>มันก็ใช้ได้ค่ะ เพราะว่าลูกสังเกตเจ้าค่ะอาจารย์คือไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอุบัติการ์หรือเปล่านะเจ้าค่ะอาจารย์เพราะว่าเรื่องนี้รู้ยังไม่เคยเล่าให้อาจารย์ฟังเจ้าค่ะคือเคยเจออาการที่เแบบว่าเราลูกไม่แน่ใจว่าอยู่กับการพิจารณาหรือว่าอยู่กับคําบริกรรมเจ้าค่ะตอนนั้นคือใจมันเฉยไปเลยอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะจากเหมือนที่ว่านั่งถ้าไม่ทุกข์ก็ใช้ได้นะถ้าไม่ทุกข์ก็ใช้ได้เจค่ะเหมือนกับสถานการณ์ที่แบบเหมือนเหมือนห่วงรถอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์พอคนอื่นมาโดนรถจนกระจกหันไปเนี่ย ปกติจะวจุยนวายจห่วงรถใช่ไหมเจา้าค่ะอาจารย์ตอนนั้นคือเฉยมากเจาก้าค่ะแฟนจะ ว, ว, วุ่วายวายลูกบอกนี่ไม่เป็นไรหรอกอะไรเนี่ยเหมือนกับว่ามาเห็นเป็นอนาตตาไปเลยอย่างนี้เจา้าค่ะอาจารย์ได้บัญญัตจะเกิดก็ต้องเกิดห้ามันไม่ได้เจ้ค่ะคือตอนนั้นรู้จําได้ว่าคือใจมันมันนิ่งมากเจาก้าค่ะอาจารย์มไม่ได้มีความห่วงอะไรรถ อ, อะไรสักอย่างปล่อยต้องเรียกว่าปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ใจก็เบาสบาย เนี่ยจะใช้คําว่ายอมหยุดเย็นแค่นั้นยอมให้ยอมใว้มันเกิดปยยอมปั๊บเราก็หยุดหยุดไปกังวลหยุดกังวลกับมันอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปหยุดกังวลเพรหยุดกังวลมันก็เย็นใจก็เย็นสบายติดตรงนี้หน่อยเหมือนกันเจ้าค่ะอาจารย์ว่าจะเป็นคนที่ชอบวิที่จะตื่นเต้นแล้วก็คิดกังวลหน่อยๆอะไรอย่างนี้เจ้าคะาระอาจารย์จะมีตรงนี้บ้างเหมือนกันเจ้ค่ะ ก็ต um ้องไม่ต okay. uh, ื่นเต้นต้องใจเนใก็ไว้มีคาถามเลยจ้าค่ะพระอาจารย์พอาจารย์ท่าของอย่งอะไรเจ้าค่ะกลาขอบคุณไปอย่างถูกต้องเจ้ค่ะคือจ้ค่ะที่คุณนิสาเออยู่ที่นั่นมากี่ปีแล้วล่ะเก็จะยี่สิบปีแล้วค่ะอาจารย์อ่าตอบนิมัสการค่ะพายอาจารย์ก็ ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ก็มาร่วมรับฟังค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวยนไปที่คุณไปที่คุณยศสวัสดีต่อคุณยศไปงานอยู่ถ้าวันไปปฏิบัติที่ไหนหบ้นกกางมาราชการแล้วค่ะอาจารย์มีแต่กิจกรรมครอบครัวกับกิจกรรมตัวเองนี่แะคะพระอาจารย์กิเลยเราไกินหวานกิเลยเราไปกินหวานะเรียบเลยค่ะพระอาจารย์ก็กินร่วมเมื่อ ตอแบแับเคินเคินอ่าหนูมีคําถามจากการฟังธรรมะของพระอาจารย์นะคะ่ะเมื่อวันพระที่ผ่าน ม, มาพอดีเพื่อนชาวต่างชาติถามพระอาจารย์จมุมดเวลาก็เลยไม่ได้อ่านคําถามของหนูพี่พระอาจารย์สอนเรื่องว่าอ่าระหว่างใจกับตัวเราอ่ะคะ่ะการทําบาปผู้ที่รับผลมันคือใจอ่ะคะ่ะพระอาจารย์อื mm. ทีนี้หนูก็เลยสงสัยว่าแล้วทีนี้ถ้า ถ้าหากเป็นคนที่มีความเห็นผิดนะคะพระอาจารย์อย่างที่เราเคยได้ยินว่าป้นคนรวยช่วยคนจนหรือว่าการการฆ่าเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจเขาคิดว่านั่นคือความดีงามค่ะพระอาจารย์แล้วอย่างนี้เขาจะรับกรรมยังไงล่ะคะในเมื่อเขามีความเห็นผิดก็รับกรรมเหมือนกับคนที่ทําฆ่าฆ่าก็ต้องไปรับผลที่ที่ทำจากการฆ่า ก็ไปตกนังนกถ้าฆ่าด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบามเนี่ยถ้าฆ่าด้วยความหลงก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอ๋อการการที่เขาเห็นว่าค่ะเขากำลังทำดีอยู่นั้นเป็นทำดีเพื่อนูมันเองมันก็ต้องกินสัญญายานกินสัตว์แบบนี้อืมค่ะค่ะอาจารย์แล้วอีกอันหนึง่งเมื่อวานนี้เห็นพรอาจารย์หนูเข้าเข้ายูทูปฟังพระอาจารย์ตอบคําถามเพื่อนชาวต่างชาตินะคะ ที่อาจารย์พูดถึงธาตุสีจริงๆแล้วธาตุสี่พอดีหนูไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆธาตุสี่เราแค่รับรู้เพื่อไม่ให้ยึดติดในตัวเราแค่นั้นใช่ไหมคะไม่ใช่มีไว้เพื่อไว้เพื่อการกระทําใดๆแค่แค่รับรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะสลายไปเท่านั้นใช่ไหมคะเรื่องาตุใ่รู้ว่าร่างกายมันไม่มีตัวตนเนี่ยมันเป็นนิ่งน้ำลมไฟมันต้นไม้ร่างกายก็ต้นไม้นี่เหมือนกันนแต่างกันตรงที่ร่างกายมันมี ท่านรู้มามาเกาะด้วยเท่านนเอแล้วท่านรู้เป็นผู้สั่งให้หน่างกายเคลื่อนไหวหทำอะไรต่างๆถ้าร่างกายไม่มีท่านรู้มาเกาะมันก็นิ่งเฉยเหมือนซากศพเนี่ยซากศพกับต้นไมกก้มันก็เหมือนกันค่ะขอาขจารไม่มีตัวตนแค่ไม่ให้ยึดติดเท่านัน้นไม่ใช่ตัวเราให้รู้ว่าไม่ใช่เรา<ๆ>เราไม่ใช่ตัวร่างกายถ้าเรารู้ว <ขอ S 1> <อ>่าไม่ไม่ถ้ามันรู้ว่าไม่ให้เป็นราเราก็จะไม่ได้เราจะได้ไม่กลัวตาย ไม่กลตายไม่กลเจ็บเพราะเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นแค่เป็นธาตุสีแล้วมันก็ไม่ได้ตายมันก็เพียงแต่ย่อยสลายไปรีไซเคิลใหม่ทอะไรธาตุ น, น้ํำก็กลับไปรีไซเคิลใหม่ธาตุดินก็กลับไปรีไซเคิลใหม่ทุกอย่างเป็นระบบรีไซเคิลพอดีวันนี้วันนี้ได้มีโอกาสสอนนิสิตชาวต่างชาติค่ะอาจารย์เขามาจากพม่าแล้วเขาดูสนใจ ในการทําสมาธิหนูก็เลยแนะนําพระอาจารค่ะบอกว่าให้ไปฟังให้ลองปฏิบัติแต่ตัวเองอ่ะยังไม่ค่อยได้ปฏิบัติเลยไม่กล้าพูดอะไรมากค่ะก็เลยบอกแค่ว่าให้ลองมาฟังพระอาจารย์ดูค่ะก็เลยแนะนําเด็กไปเหมือนกันนะคะว่าให้ลองเข้าไปฟังพระอาจารย์ค่ะค mm hmm. ำถามสุดท้ายพระอาจารย์พดีว่าหนูก็จะเจอหนูก็ไม่ได้บอกว่าอ่าไม่เชื่อนะคะาอาจารยแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มหรือจะมีกลุ่มชุดความคิดบางบางคนที่ว่าเอทําบุญลงศก อย่างเนี้ยค่ะพอาจารย์ซึ่งือซึ่งตัวหนูเองอ่ะค่ะฟังพระอาจารย์มาหนูก็รู้สึกว่าเออการทําบุญให้กับคนที่ตายไปแล้วเขาแม่รับรู้แล้วอะค่ะพระอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเราเรามีวิธีถ้าหากเขามาถามเรานะคะพระอาจารย์เราคงไม่ไปสอนใครถ้ า, าเขามาถามเราว่าเออเขาทําบุญลงศพเนี่ยดีไหมอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วหนูแค่บอกว่าเออมันก็มันก็เป็นทานที่ให้แต่ว่าอยากจะ ให้ปัญญามากกว่า น, นั้นในเรื่องของการทําทานนะคะพระอาจารย์เราควรจะอธิบายการทําบุญที่ผู้ตายไม่รับรู้ยังไงได้บ้างไหมคะคือที่ทำทั้งหมดที่ไม่ได้ทําเพื่อคนตายทําเพื่อคนเป็นอาจารยคนเป็นที่จะต้องมาทําศพให้กับคนตายเนี่ยมันก็ต้องมีที่เก็บศพมีโรงมีอะไระถ้าไม่มีโรงแล้วมันจะเอาไปเก็บเอาศพไปไว้ที่ตงไหนลนะ่ะก็ต้องมีมีโรง นี่โรงมันก็ต้องมีเงินต้องใช้เงินแล้วใครจะเป็นคนบรรจัยค่าค้าโรงบางทีบางทีมันไม่มีญาติคนตายก็ไม่มียาติพี่น้องพี่ญาตญาตพี่น้องไม่มีเงินจะซื้อโรงศพขึ้นมาเนี่ยก็ต้องค่ะคนที่มีเงินเงินช่วยมาช่วยสนับสนุนให้มีโรงศพไว้เก็บศพทันทีไม่ได้ทําให้เพื่อคนตายเลยใช่ไหมแต่คนไปแปลความหมายกันถ้าเป็นเรื่องเราวพิศดารไปเองเทนั้ ทำทำบุญทำทานท้งจริงทำเพื่อประโยชน์ทั้งนั้นให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาหรือคนขาดแกลนอาหารก็ให้อาหารเขากินเนี่ยมันก็มันก็ไปแปลงว่าสร้างให้อาหารชนิดนี้แล้วชาติหน้าจะได้กินอาหารชนิดนี้ต่อไปมันก็ว่าไปตามมโนภาพตามความรู้สึกนึกคิดแต่กันจึงเป็นการทําทําประโยชน์ด้วยการเสียสละทรัพยากรของเราให้กับผู้อื่นไปแล้วมันจะทําให้ใจเรามีความสุขใจอิ่มใจอันนี้แหละคือบุญ มันไม่แน่หรอกครัาเราจะทำลงศพรสชาติหน้าเราก็จะมีลงศพเฮ้ยไม่ทำอะไรจะได้อย่างนั้นมันได้บุญ อ, ะอ่ะหนูจะได้อธิบายถูกว่าการทํำทานตัวนี้เป็นประโยชน์ของคนเป็นอืมก็เหมือนกับการให้สิ่งที่เขาต้องการใช่ทรัพย์ประหลงก็หรือโงรงพยาบาลคนตายไม่มีไม่มีลงศพหรือว่าไม่มีลงศพก็ต้องซื้อลงศพไปใส่ศพไปนี่จะไปตั้งศพไปทําที่ตรงไหน ค่ะอาจารย์ได้ค่ะาจารย์ขอบพระคุณค่ะาจารย์ขอบพระอาจารย์ัเยอะขอบพระคุณเอะคุณปุ้ยรักเสมเม่อก้เห็นว่าล้วมีอะไรทำเลยทำมาสการข้าวอาจารย์บัดีไม่สบายขอขอเข้ามาทัอที่ก่อเพราะว่าได้ยินน้องเขาบอกว่าที่อาจารย์ถามแล้วบอกว่า ไม่มีใครแบบว่าครบเลยมีแต่ขา ด, ขาดไม่แบบว่าไม่ถือศีลถือศีลไม่ครบอ่ะอเพราะอาทิตย์ที่อาทิตย์ที่ผ่านมายมก็ไม่สบายยมไม่สบายตั้งหลายวันอืมตั้งแต่วันวันอาทิตย์ก็ยังดีๆอยู่ยังถือศีลดีๆอยู่พออวันจันทร์วันอังคารยมก็ไม่สบายเลยอาจารย์อนี้นยังไม่หายนั่นยังไปอยู่ ยังเป็นอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่โยมก็เป็นแค่วัดค่ะแบบเป็นเป็นแค่วัดที่แบบมันมีลมอ่ะพอเราออกไปโดนลมแล้วมันเป็นเหมือนกับลมพายุอ่ะลมมาแรงแรงแรงแรงอย่างเงี้ยโยมก็เป็นเลยนะแล้วต้องพิจารณามันเป็นธรรมดาาต้องจัดไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาโยมก็จะนั่งสวดมนต์แล้วมันรู้สึกมุนหัวเวียนหัวเวียนหัวสวดไม่ได้เลยเมื่อวันจันทร์เน่ะ แต่โยมก็พยายามนะพยายามที่จะสวดพยายามจะจะนั่งจะนั่งจะสมาธิอ่ะค่ะเออโยมหนึ่งได้ขำน้องเขาพอกเราก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่เขาเป็นคนเดียวอืมอ mm hmm. ืาเราก็พยายามแบบเราก็ไม่รู้อะเราก็อยู่ดีๆเนี่ยนะเมื่อวันอาทิตย์ก็อยู่ดีๆนะคะเพราะพอเราตกกลางคืนตนื่นขึ้นมาก็เป็นเลยแต่ยมยมฝันแปลกนะอาจารย์ยมฝันถึงพระอะพระเหมือนกับพระหลวงปู่มั่นนะ่ะ เมื่อยืนอยู่ตรงหน้าโยมอ่ะใส่จีวรเหมือนกับพระ้าจานเลยอะแล้วเขาบอกว่าเขาให้อะไรโยมก็ไม่รู้ในมืออ่เป็นเหมือนกับผ้าแล้วเขาบอกให้โยมมาคล้องผ้าเอาไว้และไอ้คืนนั้นน่ะที่โยมนอนน่ะคือโยมนั่งสมาธิก่อนแล้วโยกไปนอนโยมก็เอาพ้าถอดออกพระหลวงปู่สดแต่โยมก็ถอดออกเออนี้โยมก็วันไปเขาบอกว่าให้ให้โยมมาเอาผ้ามาคล้องแล้วแล้วมันแปลกตรงที่ว่า ไม่ได้ละมือหรอกพระอาจารย์คนอยังโยมไม่เคยละมือนะมันเหมือนกันเรื่องจริงอะ่ะเพราะว่ามันในมือโยมอะ่ะพราอตื่นขึ้นมามีสร้อยพระของหลวงปู่สดแต่อยู่ในมือกำไว้แน่นเลยแล้วยมก็ไม่รู้ว่าเป็นหลวงปู่สดหรือเป็นหลวงปู่มั่นมหามหาโยมแล้วพอพอพอหลังจากนั้นนะพอยมตื่นขึ้นมาพอยมตื่นแต่เช้าตีสามไงโยมจะต้องมานั่งสมาธิพอยมนั่งไปได้สักสามสิบนาทียมก็เออทำไม ห, หนาวจังเลยวะ เริ่มหนาวเริ่มสั่นแล้วก็เริ่มไม่สบายอีกมันมันเหมือนกับมีมันมีอะไรหรือมันจะเป็นไอเกี่ยวกับอะไรที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับเสาห้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะมันเป็นความเชื่อเราก็พยายามให้จิตเราหลอนนะฮะมันไม่เป็นอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาเห็บค่าร้อนปวนมันเรื่องธรรมดาใช่พรปกติยมก็ไม่ได้แบบเออมันไม่มันไม่เป็นถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย มันเป็นได้ทุกวันะวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้วันจันทร์ก็ได้มันเป็นได้ทุกวันนะโอเคมีอะไรไหมไม่มีค่ะโยมก็มาจะมาบอกกับพระอาจารย์ว่ายังไงถึงจะเจ็บจะป่วยโยมก็พยายามจะขุนตัวขึ้นมาสวดมนต์เจริญจิตภาวนาแต่เพราะว่าเลือกแล้วตั้งจิตแล้วตั้งจิตอธิษฐานแล้วยังไงก็จะอยู่ทางเนี้ยค่ะต้องรักษาใจควบคู่ไปกับรักษากายะ ใจเราต้องไม่ทุกข์กับใจต้อต้องไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายนะต้องมีธรรมะโอสถไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้เป็นสมาธิแล้วใจก็จะสบายนะใช่ค่ะอ่อยมเห็นแล้วแบบไม่ว่าจะเมืองไทยหรือว่าจะเมืองนอกมันเหมือนกันเลยเพราะว่าพอเวลาเราเปิดประตูออกไปอ่ะไอคู่หัวตัวเมียเนี่ยมันมีเรื่องแต่ลาวก็เลยเบื่อมันมันรู้สึกเบื่อมันอยากกลับมาเกิดเลยอยากกลับมาเกิดเลยใช่ จริงค่ะจริงจงที่สุดเลยค่ะโ <Okay. S 2> ยมโยมตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วขอให้โยมผ่านเพราะโยมรอนหนังสืออยู่พระอาจารย์ขอให้โยมผ่านนะขอให้โยมได้รับคําตอบอาทิตย์นี้นะคะอะขอให้หายเจ็บหายไข้นะค่ะข อ, ขอให้พระอาจ า, ารย์พัดขันแข็งแรงค่ะโอเคสวัสดีสไปที่โยมหญิงวิไลพรสายสอง กรรมัฒ ก, การพระาอาจารย์เจ้าค่ะสวัสดีปีใหม่เจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าจ้าดูพระอาจารย์โยมมีเรื่องจะเล่าพระอาจารย์ค่ะโยมก็เข้าใจว่าโยมปฏิบัติได้ก็ค่อนข้างดีนะพระอาจารย์แบบ ว, ว่าวางใจกับอะไรได้เยอะมากเลยพระอาจารย์วางใจได้หลายๆเรื่องแต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยโยมโยมหลุดลุยเลยพระอาจารย์เหมือนกับว่าอือโยมก็รู้ใจตัวเองนะพระอาจารย์ว่าใจตัวเเป็นลิงเลยแบบรู้ว่าคืออะไรแต่ว่า มันห้ามใจจอไม่ได้พระอาจารย์เหมือนกับว่ามีแบบอมีคนที่เขามาเอาเอาใจสามีแล้วอ่ะพระอาจารย์คือเขาเอาใจเกินเหตุอ่ะแล้วก็เอ๊ะทาไมเขาเอาใจจังอะไรเงี้ยพอพอเราเริ่มจับสังเกตปุ๊บแต่เนี้ยเราก็เป็นเป็นลิงแล้วพระอาจารย์ใจอะอืใจเป็นลิงเลยพระอาจารย์ คอยสังเกตเขาตลอดเวลาเลยรตันเนี้ยพอเขาเริ่มแบบแสดงอาการผิดปกติกับเราอะแบบกัแบกบัแบบสามีเราอะพระอาจารย์โยมก็อืแบบมันเห็นกิริยาตัวเองนะพระอาจารย์เห็นใจตัวเองเห็นกิริยาเห็นทุกอย่างเลยพระอาจารย์แต่เราก็อยู่รไม่ได้อืใช่พระอาจารย์สติสติไม่มีสติไม่มีกําลังพอใช่พระอาจารย์ทั้งรั้งที่โยมว่าโ ย, ยมวางใจกับอะไรได้ เยอะมากๆเลยพระอาจารย์ mm hmm. แต่สิ่งนี้มันใกล้ตัวมันวางลาบากมากนะพระอาจารย์เราก็เลยแบบเราก็สังเกตสังเกตสังเกตสังเกตสังเกตจนแบบเราก็พยายามแบบกันนะพระอาจารย์เร า, า, าก็การหนักเรา แ, แบบคือเขาเราก็ทําไมมันมันคือตรงตรงหลันที่พระอาจารย์เท่อะค่ะว่า เขาปฏิบัติตนไม่สมกสถานะที่เขาควรจะกับบุคคลที่ที่พระอาจารย์เทศอย่างเงี้ยค่ะเราโอ้มันตรงกับพระอาจารย์เทศแล้วตอนบางทีแบบใจเรากําลังว้าวุ่นเราก็เราก็นึกบอกโหเราอยา ก, เร า, ยากเราอยากมีคนรึกษสอย่างเนีามะพระอาจารย์ก็เ ด, ด้งดึง๋งขึ้นมาอะไรเงี้ยและค่ะเหมือนกับพระอาจารย์รู้ใจลูกศิษย์เลยแล้วค่ะโยมก็โอเคพออ่านแล้วก็ทําใจไ ด, ด้สุดท้ายโยมก็เห็นตัวเองว่ากิเลสมันชัดมากพระอาจารย์อย่างนี้ เราแพ้หลุดลุ่ยเลยอ่ะพระอาจารย์แต่ตอนหลังเราก็เปิดใจแล้วก็คุยกับเขาเลยคุยกับแฟนว่าแง้ yeah, มันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยระวังนะแต่พอเราเปิดใจแล้วเราก็สบายเลยพระอาจารย์เรายกพวกเขาเออกจากอกใจยังไงก็ได้ก็ตามใจเลยเพราะเราเราเปิดใจเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่ก mm ิเลสเท่านี้มันยากยมว่าคนเราอ่ะพลาดเพราะอย่างเงี้ยแบบเราว่าเราอ่ะปฏิบัติเก่งมากนะพระอาจารย์แบบโอ้โหเก่งอ่ะแบบระวังใจได้กับหลายๆเรื่องแต่กับสิ่งที่มัน กี่เห่ที่มันซ่อนลึกๆนเพราะเราเราคิดว่าเราเราเราทําได้แต่มันทําไม่ได้ค่ะอาจารย์เพราะเราไม่กล้าพิจารณาเรื่องกลยตัวเราคนที่เราล่างนี่มันจะไม่ค่อยกล้าพิจารณาเขาเขาอาจจะไม่เขาเขาไม่เที่ยงนะเขาก็ไม่แน่นอนนะห่วงมากเลยค่ะอาจารย์ไม่กล้าไม่ไม่กล้ากล้พิจารณาพอมันเกิดขึ้นมาเลยทําใจไม่ทันใช่ค่ะเพราะเราอยู่กันมาห้าสิบกว่าปีเราไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เลยคือแบบคือ คือมันมันเพิ่งเข้ามาอะไรแบบว่าคือเขาว่าคือเขาเขาปฏิบัติกับสามีเราคือเขาเอาใจผิดปกติซึ่งจริงๆเขาควรจะเอาใจาแบบเหมือนควรจะเทคแคร์เราอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่เขาข้ามไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอ๊ะทำไมนะทาไมนะก็เห็นเห็นความผิดปกติเรื่อยๆ อ, อย่างนี้เราเราก็ต้องพิจารณา ย, ยัางไงเพราะจะมันกิเลสตัวนี้มันมันยกจังมันนันนนนตาเราข้ามห้ามเขาไม่ได้ <laughs> แต่เรากันได้ใช่ไหมพระอาจารย์ก็ลองดูกันได้และก็อาจจะเก่งกว่าเราเพราะวิธีหลบการพันของเราก็ได้ทำาก็ทําต่อหน้าไม่ได้ก็อาจจะไปทํานับหลังในเรื่องที่บริการองเงี้แต่เราก็การจนเขารู้ตัวเขาก็เขาก็เขาก็เขาก็หยุดเลยค่ะพ่ะอาจารย์เขาก็เขาก็เลิกเลยค่ะก็ดูไปก่อนก็ราเก็จะเลิกแบบถอยไปตั้งหลักใหม่เดี๋ยววางแผนใหม่ก็ได้ค่ะพระอาจารย์แต่อันนี้โยมใหญได้ข้อคิด อาจารย์เราก็ต้องพิจารณาเป็นอนาตตาแบบเออนราไม่แน่นอนไมนใช่ของเราต้องต้องมองอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วเขาถอยไปนี่ก็ไม่ได้นะคราจะถอยแบบถาวรก็ได้นะพ้าเหรอคะพรอาจารย์จะถอยไปตั้งหลักก็ได้นะอืมายๆก็จะแบบคือเราไว้ใจเขามากเลยอ่ะแล้วก็เอนดูเขารักเขา คือเราเราจำที่เลยนะพระอาจารย์แบบระดิตใจอ่ะก็สอนว่าอย่าวางใจคนจะชนใจตายจริงพระอาจารย์แต่มันก็มันก็เป็นมันก็เป็นเขาเรียกอะไรพระอาจารย์มันเป็นบทมันเป็นบททดสอบอ่ะค่ะมันเมืนเป็นเหมือนกับเป็นคลิปเอาสอบเลยมันข้อสอบเราก็รู้ว่าโอ้เราไม่ผ่านเลยพระอาจารย์ไม่ผ่านเลยหลุดนุยเลยค่ะพระอาจารย์แต่มันไม่เราไม่ยอมทํางานบ้านไห้ล่วงหน้าก่อนไม่ยอมคิดถึงเรื่องเรื่องนี้ เราคีด่ไม่มีค่ะอายไม่มีไม่คิดประมาทว่าเราไม่รอบคอบเล้เราคิทว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้เหมดกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามใช่ค่ะพระอาจารย์นอกจากคนตายนั่นแหะโอเคแน่นอนแล้ว <c oughs> <c oughs> ยังมีคนเป็นอยู่นี่มันเป็นได้ทุกอย่างนะค่ะพระอาจารย์โยมโยมก็รู้แล้วล่ะว่าโยมไม่ผ่าค่ะก็ต้องฝึกต่อไปพระอาจารย์ต้องการบ้าให้มากฝึกทักษะาการบ้านให้มาก ใช่ค่ะจะตายรักให้มากใช่ค่ะคนใกล้ตัวโยมว่าเป็นอะไรที่เราวางังนะแต่โยมก็โยมวางกับคนใกล้ตัวได้ได้เยอะมากนะคะมันแต่กับ ม, มันใกล้ตัวเยอะๆนี่มันวางไม่ได้เลยมันไม่ยอมมองไม่ยอไม่กล้าคิดไงใช่ค่ะใช่ใช่ใชค่ะการสารพต้องกล้าคิดต้องทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีใกลหรือไกลต้องพิจารณาเท่าเทียมกันหมดเป็นตายรักทั้งหมด ค่ระรอาจารย์เดี๋ยวมันจะพยายามต่อไปก็ฝึกใหม่ค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ต้องต้องไม่วางใจกับกิเลสตัวนี้โวกมันซ่อนมันมันโอ้โหพระอาจารย์ยอมเห็นใจแดงเป็นลิงยอมรู้หมดเลยยอมแต่ยอมก็วิ่งตามความคิดอะวิ่งตามความคิดแล้วก็ลืมกําหนดทุกอย่างลืมทุกอย่างพระอาจารย์วิ่งตามเขาอย่างเดียวก็เลยสติดังไงสติตดัาใช่พระอาจารย์จนแบบว่าแฟนเราบอกว่าเธอเป็นอะไรอ่ะ เขาเปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยครับาจารย์น่าตกคือหลังพึทธเลยค่ะอาจารย์แบบกิเลสมันแรงมากร้ายมากค่ะค่ะฝึกหม่ฝึกใหม่แต่ก็ดีเป็นเป็นการเป็นบทเรียนสอนเราให้เราต้องต้องต้องไม่ประมาทใช่ค่ะเราต้องไม่ไว้ใจใครง่ายๆด้วยพระอาจารย์อ่าเออค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะฝึกต่อไปค่ะแล้วไปกล่าวพระอาจารย์แล้วเจ้าคะค่ะสาธุพระอาจารย์ นขาจะรักษาทาทางนะคะใช่สาธุคุณแนนคุณนอนธานีง่ายๆของการักษาการของของใกล้ตัวเราเป็นยังไงโอเคไยมของรนูละคะก็โอเคค่ะหนูก็คิดเอณนากับเขาตลอดเวลาเลยค่ะเป็นหนูคิดว่าทุกอย่างคือถ้าทุกไม่มีบารมีก็ไม่เกิดเจอทุกนี่หนูว่าของดีค่ะ ขอบน้ำมาส ก, การพระเจ้าค่ะใช่โอเคอคุณหมอคุณหมอนาตาวุฒิเป็นยังไ ง, งก่อนนมาสการรอบคราวไมยังอ๋อครับสบายใจแลครับ <laughs> ไม่มีอะไรแล้วครับก็เราประกอบอาชีพโดยสุจริตครับแล้วก็เปียดเกลียดใครแล้วก็สร้างบุญสร้างบุญศนอะไรจะเกิดก็สร้างมันเป็นเรื่มันเป็นเรื่องของกรรมไปแล้วกันนะ ครับมั ม, บมีอะไรมารับไต้หมดนะโอเคดีครับนะอันั้นตาเราห้ามเขาไม่ได้อันนั้นตาครับมีคําถามขออาจารย์นหน่งครับตอนหลังจากที่กราบอาจารย์เสร็จแล้วผมก็อ่ขึ้นไปบนเขาครับพอดีไปถึงก็พอดีแคร่รืบกุติเขาหมดแหละผมก็ก็เลยได้ไปแค่สิบสองซึ่งเป็นไ้แคร่ที่เป็นดงอเป็นลังงูจงอางเก่าอครับะ แต่ผมนริงชอบเพราะว่ามันมันมันทําให้อปกติมันจะทําให้สติมันก็เลยเหมือนกับรวมได้ครับพอรวมมันก็เลยแบบมันก็มันก็โลกไปหมดเลยครับมันก็ไม่คิดอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นก็ก็ก็ทําต่อไม่ได้ก็แต่ว่าก็พยายามตอนหลังมันก็เลยเหมือนกับอ่าแต่ตอนตองออกมาเนี่ยมันดีมากเพราะว่ามันก็อุเบกขาเต็มแล้วก็ก็ไม่เหมือนกัชาร์จแบตได้เต็มเลยมันก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไปกังวลไม่อะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับมาสู้กับตัวเองครับก็คือ เราก็พยายามสติกับพุโทโธของเราเราก็มีไอความคิดไอสังขารวิญญาณนี่มาคอลากเราไปให้เราไปคิดเป็นสายไปแล้วเราก็มากลับมาอยู่ตรงนี้สู้กันไปสู้กันมาแต่ว่าก็มีจุดหนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะทไมจิตไอใจเรามันต้องชอบไปเกาะกับอะไรต้องไปหาที่เกาะอฮะไปเกาะกับสังขารแล้วก็ไปคิดเรื่อยเปื่อยสร้างความทุกข์ให้กับเราไปเกาะกับสัญญาหรืออะไรทั้งหลายแล้วก็พยายามจะดึงมันตับ แล้วมันก็เหมือนก็หยุดพิจารณาไปพักหนึ่งแล้วก็มาจริงๆก็จะให้จิตเกาะอะไรก็เลยคิดว่ามาเกาะกับจิตปัจจุบันก็คือมามามาอยู่กับจิตปัจจุบันให้มันตลอดะให้ซักแต่ว่ารู้ให้รู้จิตให้ซักแต่ว่ารู้ครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็เราก็ไม่แน่นิดจังไป็นไตรักไปเลยครับแต่คิดอะไรปุ๊บไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แล้วก็ปล่อยปล่อยมันไปเพราะเราไปคิดลงหน่าคิดรับหลังอะไรทั้งหลายแล้วก็ก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันครับ อันนี้ผมก็คิดว่าของผมเองปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของสติที่มันยังไม่ต่อเนื่องไม่แข็งแรงเพราะถ้ามันถ้ามันเหมือนกับอยู่กับจิตปัจจุบันแล้วก็สักแต่ว่ารู้มันก็ก็สบายมันก็ทุกอย่างก็มันก็เป็นอันนี้จังไปหมดมันก็ไม่แน่จากประเด็นแรกวิธีปฏิบัติให้ใช่วิธียังมีสติก็ดึงมันไว้ในปัจจุบันนะเป็นไว้ปัจจุบันครับอ่าแล้วแต่วิธีนี้นะครับแล้ว อ, อันนี้คําถามผมก็คือเราจะทํำยังไงให้มันเป็นสติอัตโนมัติได้ครับ ก็ทำต่อไปแล้วก็ให้มันเวลาทุกข์เรียาบทขงการเคลื่อนไหวก็ให้อยู่กับร่างกายเฝ้าดูทุกข์เรียาบทไปครับฮะมันก็จะอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆครับอ่ะฮะต้อกขึกไปพอลุกขึ้นเดินพอลุกขึ้นยืนก็รู้ว่ายืนพอพอเริ่มเดินก็รู้ว่าเดินพอนั่งก็รู้ว่านั่งพอเดินเดื่มน้ําก็รู้ว่าเดิน รับประทานก็รู้ทําอะไรให้รู้ทุกเรื่องหมดไปเลยเพมันจะเป็นอัตโนมัติมันไปไปได้เองใช่ฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะผมดูแล้วผมรู้เลยว่ามันปัญหามันอยู่ที่เราเนี่ยเราก็สู้กันสองสองฝั่งก็คือไอ้ไอ้ฝั่งหลงจะคิดตามสัญญาสังขารย้าฝั่งรู้แล้วก็อนิจจังไม่แน่ก็จบแล้วก็จบแล้วก็อยู่ไอ้ตรงเนี้ยอยู่ตร้ยมันก็จะแบบแล้วมันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ยตายเลยฮะใช่ถ้าเราอยู่กับตายล้างอยู่เรื่อยๆอยู่กับปัจจุบันใช่แต่ว่าเราตายไปกิเลสมันก็ตายหมด อ่าขับนะฮะขับนฮะตีครับก็เห็นทุกข์ก็ได้ใช่ไหมาต่อาศัยสถานที่สงบอย่างที่คุณหมอต้องไปอยู่บนเขาแล้วยิ่งที่หน้ากูัด้วยยิ่งดีใหญ่ถ้ามันยิ่งหน้ากลัวมันจอยู่ในกับปัจจุบันมันจะไม่กล้าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยจริตผมตึกมันจะชอบอันนี้ครับคือไม่งั้นจะเป็นคนที่คิดเยอะแล้วมันก็มันก็จะฟุ้งฮะแต่ว่าถ้ามัน มีอะไรที่มันต้องกลัวนิดหนึ่งอ่ะมีงูเป็นงูจับทางงูจับทางเก่าเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะมันก็จะอยู่กับเอ๊แล้วมันก็เลยร้สึกว่าเหมันจะระมัดระวังเลยจะต้องจะเดินจะคอยดูถึงจะถึงจถึงจะถึงจะอมีสติขึ้นมาครับใช่ผลิตที่ที่ไปแนวนี้ครับดีมากดีมากอันนี้ก็ใช่ใชครับมามามาทำอยไรเราเราไม่มีอะไรที่ที่ผิดเราก็ทําเราถูกต้อง ว่ามันอยู่ที่ปลอดภัยมันก็จะเริ่มปล่อยนะนะมันก็จะเริ่มอับไปนี <laughs> <laughs> ่แล้วต้องมาดูเพราก็ออกมาข้างนอกไปอยู่ข้างในเราก็อสบาย <laughs> คิดอะไรอยู่ที่ใจเราเองสู้กับใจเราเอง <laughs> โอเคขอบคครครัผับแล้วไม่ต้องตายเห็นทำนะทุกอย่างทุกอย่างเกิดดับที่ใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกครับ <laughs> ใช่ครั บ, รบ <laughs> ทุกสมุทัยนี่รอดมากมันอยู่ในใจเราอยูที่ว่าอยู่ที่ฝ่าย ไ, ไหนมันจะมีกําลังมากกว่ากันทั้งนี้ ทำอ่ะก็อุปสรรคเกิดปัญญาเดี๋ยวตอนช่วงนี้ก็ฉันติทําไปทำที่ทาต้องทำอะไรจะเกิดได้สั้งหันะครับตองครับผมอเชือใพราคุณอาจารย์ทำอ่าวันที่คุณยินดี c a n c ซ r ตอนนี้กำลังอยู่ที่การเซอร์ใช่ไหมคะท่าาจารย์ตอนนี้อยู่ที่ไหนฉันสักค่ะท่านอาจารย์ที่ยี่สิบา อาจารย์ยี่สิบเดือนาเมืองไทยค่ะใช่จ้าเนี่ยมาเยี่ยมบ้านนะกลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมช่องมั่งค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็ตามเนี้ยคะ่ะก็ได้ประโยชน์มากเลยค่ะท่านอาจารย์ที่ได้คือได้คําตอบจากคุณหมอณธรมุตเหมือนกันค่ะท่านอาจารย์<ม>ก็เป็นเหมือนกันไง<ม>ไปเสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วก็พอจะกู้ได้อ้าว ไปแล้วแล้วก็นึกในใจว่าอ่าตายแล้วเนี่ยเราตายแล่ดึงไปสลากไปไกลคือพยายามที่จะดึงสติให้มันวัยแต่บางครั้งอ่ะมันไม่ไวไัยอ่ะอาจารย์บางครั้งก็ได้ไวัยแต่บางครั้งก็ไม่ได้ไวัยไปไปพอไปไปได้ครึ่งทางอุ้ยไปไหนเนี่ยแล้วก็เพิ่งมานึกออกแล้วก็มาตั้งสติใหม่มันต้องไปมันต้องมาอยู่ที่ที่ที่น่ากลัวที่ไหนที่น่ากลัวเัี่สติมันยันดี ลังจงอ้นะคะอาจารย์ไปป่ า, าชา้าก็ได้ไปนั่งแถวป่าชา้าก็ได้ครัออบอาจารย์ค่ะ <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวอาจารย์ก็ไม่มีอะไรคะ่ะก็เหมือนเดิมค่ะ่าอาจารย์ก็เดวิดแล้วก็ลูกก็เข้ามาท่านอาจารย์แล้วก็มอง <Yeah. S 2> ชองเต้ค่ะท่านอาจารย์โ <Okay. S 2> อเคค่ะบอบองจูบองจูเม็กซิโบกูให้เขาด้วยนะ ค่ะท่านอาจารย์ค่ะ <Okay. S 2> ท่านเขาฝากว่าอาจารย์ตลอดค่ะสาธุอา <Yeah. S 2> จารย์ส า, ายทิพขอนแก่นกลับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะืมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์เนี่ยเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีค่ะกิเลยไม่กเลยไม่มารบกวน กิเลศก็มีค่ะกิเลศเรียบร้อยดีก็หนูคิดว่าสงสัยจะต้องถือสินแปดแบบอาหารสองมือบ้างหนึ่งมือบ้างค่ะพระอาจารย์เพราะว่าพอมันทํางานหนูจะทางานเยอะค่ะพระอาจารย์ทํางานเหมือนทั้งทํางานด้วยแล้วก็ทําร้านยาด้วยแล้วมันใช้ร่างกายเยอะค่ะพระอาจารย์มันโหยใช้พลังงานเนี่ยทำนินท่าทางานนี้ถ้าทางานนี้ก็ใช้รักษาแค่สินห้าก็พอ อือค่ะไอ้ถ้าสินแปในหมายถึงคนที่ไม่ทำงานแล้วปฏิบัติเต็มที่เลยถึงสินแปดค่ะพอพอมันหิวมันก็เลยเหมือนมันกวนกวนกวนก ว, ว, ว, ว, ว, วนสมาธิค่ะพระอาจารย์มันทับยากถ้าทำงานแล้วรักษาสินแปดมันจะมันจะยากค่ะแต่ว่าถ้าถ้าแบบ หนูก็เลยลองเป็นกินมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงนี้พอได้อยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าถ้าเป็นมื้อเดียวมันมันเหมือนวันนี้พรุ่งนี้ล้วนแล้วจิตมันก็แตกเลยค่ะพระอาจารย์มันเหมือนแบบมันมันมันแบบฮิ้วหิ ว, หวอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ไม่มีสมาธิก็เลยคิดว่าถอ ย, ถอ ย, ถ, อยถอยลงมาสองมือ้อสองมื้อหนูกินว่านหนูน่าจะทําได้แบบนี้แบบนี้ ต, ต้องปรับตัวต้องปรับการปฏิบัติเนาะค่ะ เดินเกินไปเดินเกินไปก็ไม่ไหวหยอนเงินไปก็ไม่ก้าวหน้านะต้องพอดีพอดีพอดีกับกําลังของเราค่ะเหมือนเหมือนกําลังเรายังไม่ได้แต่เห็นเห็นเห็นกัลยาณมิตรที่ผอมๆก็ๆก็อยากจะทําบ้างเหน็นเออสงสัยก็ทานมื้อเดียวค่ะถ้าทานก็จริงๆหนูเออจะสงส่อีกเรื่องหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะเพราะสงใส่เรื่องของ ปรานณานุสติค่ะพระอาจารย์ว่าเราควรจะพิจนามากน้อยแค่ไหนอย่างไรอะค่ะก็ไม่ให้ลืมอะพิจารณาจาไม่ลืมความตายเราต้องตายทุกครั้งที่เรากังวลกับอนาคตก็ไม่กังวลทำไมมันก็ตายอยู่ดีเมันช่วยกําัจความกังวลต่างๆในอนาคตได้นี้กังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้นนนอนาคตจะเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ อเคตรียมความตายแลมันก็มันก็ตายแลยมันจะตายเหมือนเราแบบวางแผนอะไรมากมายเดี๋ยวเราก็ตายใช่จะวางแผนอะไรได้ไม่รู้จะได้ทําตามที่ราวางแผนหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะเหมือนคิดคิดคิดคิดกลายเป็นมันจะช่วยลดความกังวลได้เยอะแล้วมันจะทําให้เราไม่หวาดตัวกับความตายด้วยเพราะหลังจะต้องรู้ว่าเราต้องตายเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจค่ะ แล้วก็คือพยายามคิดคิดเรื่อยๆว่าเียเราก็ต้องตายถ้าคิดแล้วเราก็ไม่มีความรู้สึกไม่ไม่ดีแล้วก็ต้องหยุดพิจนาบางทีมันก็มากเกินไปก็อาจจะทําให้เรารู้สึกขนหูอศ้ามองทั้งยังกต้องหยุดเพราะว่าคิดมากๆเรื่องมันี้ไม่ดีมันก็คิดว่าเราจะอยู่ไปทําไมนะทุกทุกทุ หนูมีอารมณ์เือได้ค่ะพระอาจารย์คิดไปคิดมาไม่อยากทําอะไรเลยอันนี้ก็ทำไปทําไมเนี่ยทําไปทําไมเนี่ยอย่างงั้นก็เกินไปนอกจากนอกจากว่าทําไปบวชก็โอเคถ้าคิดอย่างนี้ไปบวชดีกว่าก็เออหนูนก็พอจะทํานี้เออจะทําไปทําไมเนี่ยอะไรอย่างนี้พระอาจารย์ไปบวชดีกว่าถ้าคิดถ้ามาคิดต่อไปก็ไปบวชดีกว่า แอบเปย์ๆท <screws> <Basil> <desserts> <Negative hungry> ี่บ <imin> ้านที่บ้านไม่ไม่ให้ค่ะก็ต้องก็ต้องระวังว่าคิดพิจารณาความตามมากเกินไปมันอาจจะเหมือนเหมือนกินยาเกินขนาดมันจะมีมันจะโอดีได้ร่างกายร่างกายหายยาได้กลาเป็นจะจะเสียการเสียงานด้วยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าจะทําไปทําไมวะเนี่ย แต่แบบท้ายสุดก็ทําอยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์อีกอันนึงค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์จะพูดอะไรหรือเปล่าคะไม่ละไม่ลพะพูดถามได้เลยออีกอันหนึ่งหนูเวลาที่ที่ทําสมาธิค่ะพระอาจารย์เหมือนจริงๆเรารู้ว่ามันจะสงบนี้ทํำยังไงแต่มันทําไม่ได้เหมือนเราสติขาดสติอย่างเดียวเลยค่ะพระอาจารย์ดึงให้มันอยู่นิ่งๆไม่ได้ ต้องโฟกัสเตให้มากขึ้นนั่นเองต้องพยายามอยู่หน่งจิตให้ให้อยู่ในปัจจุบันอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอพูดเนี่ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกดรืยเหตุตั้งแต่หนึ่มตายขึ้นมาเลยก็ได้หรอจะใช้คำบริกรรมช่วยกด้พุทโธพุทโธอะรอย่าคิดหยุดไม่ยุดหยุดคิดควาคิดมันจะดึงเราไปทางอดีตบ้างทางอนาคตบ้าง ค่ะมันนั้นมันก็จะฟุ้งของมันใคล้ายๆคนหมอค่ะคิดวางแผนอานาคตนูน่นนี่นั่นแล้วมันก็เลยก็ก็เห็นเองเอ้ยฟุง้งแล้วก็พยายามดึงดึงกลับมาแต่ก็ก็พอมันฟุง้งมันก็ฟุ้งไปไกลเลยนะคะค่ะอาจารย์ห <c oughs> วางแผนตลอดเวลาเริ่มเริ่มไปเลยเริ่มสติไปเล้ใช่ค่ะหัวแต่มองว่าเอ้ยอานาคตเราจะเป็นแบบไหนจะทํายังไงจะปฏิบัติยังไงสรุปแล้ว ไม่ได้ใช่ใชมนสติเราช่วยได้ใช้มรรนสติเราช่วยได้ค่ ะ, ะเดี๋ยวจะนึกถึงแล้วก็ควรจะนึกถึงความตายของตัวเองมากกว่าความตายของคนอื่นใช่ไหมคะพระอาจารย์ทุกคนทั้งเขาทั้งเราตายเหมือนกันเท่ากันหมดอือค่ะค่ะแล้วแต่กรณีว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องเรื่องของตัวเราเราก็ต้องคิดถึงความตายของเราถ้าเราคิดถึงคนอื่นเราก็ต้องคิดถึงความตายของเขาแล้วแต่กรณี ก็คือถ้าของคนอื่นก็คือเรื่องของการพัดพลาดเราจะได้ทําใจได้ใช่ไหมส่วนของเราก็จะได้ก็คือเหมือนมันก็ใช้เสุดจเราก็ตายไม่มีอะไรอก็หมดไปไม่ต้องกังวลนอืมไม่ต้องกังวลมากเกินไปพูดถึงความตายก็หายกังวลค่ะพระอาจารย์เหนูจะเอามาปฏิบัติค่ะค่ะวอนนี้มีแค่นี้ค่ะอสาธุสาธุค่ะคุณจ่ายเชิญคุณตาย เป็นไงพัทยาเราบางอย่างไหลเนี่นะตายแล้วนะแต่ละรัศ ก, การลครับอาจารย์โยมอยู่เชียงใหม่ค่ะเขาอยู่เชียงใหมเ่เนี่ยอ่ามาฉลองท<ต>ําการที่เชียงใหมเ่เนี่ตอนแรกก็ว่าจะมาฉลองคะ่ะพระอาจารย์แต่คิดไปคิดมาเราลองมาปิกวิเวกที่บ้านบ้านสวนดีกว่าหนูก็ ม, มาตั้งแต่วันที่สิบสี่หนูก็ถือศีลตั้งแต่วันที่สิบสี่ตอนแรกว่าจะถือศีลอดสักสามวัน วันที่สิบสี่ก็ถือศีลอดหนึ่งวันแล้วก็มาถึงที่เชียงใหม่ก็แอ บ, บมาไม่บอกใครแต่มีพี่สาวรู้อยู่คนเดียวเผื่อเขาเอาไว้ส่งข้าวให้หนูหนูก็กลัวเขาแบบเป็นห่วงวันที่สองหนูก็เลยเออกินมื้อเดียวมื้อเช้าอะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็ทำเหมือนพระอาจารย์เคยสอนว่าทำบ้านให้เป็นวัดก็ได้ถ้าเราไม่ไม่สะดวกที่จะไปที่ไหน mm hmm. แล้วก็มาดูใจของตัวเองด้วยค่ะว่า อยากออกไปสังสรรค์กับเพื่อนไหมอยากออกไปสังสรรค์กับญาติพี่น้องไหมก็ช่างใจตัวเองเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ว่าเราจะอยู่บ้านแบบเงียบๆคนเดียวได้ไหมในในระยะเวลาสามวันที่เราตั้งใจไว้อ่ะค่ะพระอาจารย์ก็ปรากฏว่าทำได้คะ่ะก็ก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ไม่ได้เห็นเขาจะว่าไม่เห็นก็เห็นนะคะตอนนั่งรถกลับบ้าน ให้รถสนามบินมาส่งก็จะเห็นว่าเขาเล่นน้ำโอปีนี้เขาเล่นน้ํากันเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เขาเไม่ได้ออกใช่ค่ะไ ม, ไม่ได้เย็นดีแล้วก็ญาติพี่น้องก็มาเราก็คิดว่าเอ้เราจะออกไปหาเขาดีไหมแต่ก็คิดบอกตัวเองว่าถ้าเราตายถ้าเราตายเขาจะสนุกไหมเขาก็คงไม่ทุกข์อะไรเราปฏิบัติของเราดีกว่าก็ คิดซะว่าเราตายจากเข้าไปในช่วงระยะเวลานี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยอยู่ได้เพราะพี่น้องคนอื่นเขาก็ไม่รู้เพิ่งมารู้เมื่อเมื่อวันเนี้คะ่ะอืมาสามวันแล้วคะ่ะก็ดีค่ะก็า<ม>าสามารถสามารถทําในเทช่วงที่เขากําลังนล่นเล่นสนุกสนานกันใช่คะ่ะก็ลองช่างใจตัวเองดูค่ะว่ามันจะ ไ, ได้ไหมถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าเขากำลังสนุกสนานเลื่นเริ ง, เ, รงเพื่อนๆนก็หยุดงานทุกคนก็หยุดงานแต่เราแบบแอบมบาแบบเก็บตัวอยู่ในบ้านส่วนอย่เนี้ยคะ่ะพระอาจารย์หนูก็บอกว่าเออหนูก็เก่งหนูแอบชว์หน่อยเก<น>่งนะอะไรเงี้ยค<น>่ะพระอาจารย์เราชนะกิเลสของเราได้ค่ะห น, หนูยินดีกับตัวเองมากเลยคะ่ะแต่ว่าก็ายังวันนี้ก็เพื่อนพอเพื่อนรู้เขาก็มากัน มามาหาที่บ้านกันก็ก็มาหนูก็นั่งคุยกับเขา mm hmm. ก็คุยกับเขาไปเขาจะดืม่มเขาก็ปล่อยเขาเดื่มไปแล้วหนูก็บอกว่าสองสองทุ่มนี้หนูหนูจะขึ้นมาหนูจะขึ้นมาฟังธรรมนะหนูไม่หนูไม่นี่นะถ้าจะกินก็กินกันไปจะจะมาส่วนตัวของหนูแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็ทิ้งพวกเขาแล้วก็ขึ้นมาฟังพระอาจารย์ตั้งแต่สองทุ่มแล้วคะ่ะอย่งใจแข็งเลยค่ะใจแข็ง แต่ว่าจะใจแข็งก็ไม่ได้ ค, ค่ะอาจารย์โยมขาดปัญญาตรงที่ว่าเวลาเห็นใครทุกข์ยากจะใจอ่อนอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงให้เราเป็นคนแบบว่ามีปัญญาแล้วไปฟังว่าเขาพูดถูกเขาโกโหกเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูแยกแยะเขาไม่ออกอ่ะคะ่ะว่าเขาพูดแล้วเราฟังฟังแล้วเราเขาโกโหกเราไหมหนูไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะใน ในในในคําพูดของคนที่เข้ามาหาเข้ามาหาเราอะค่ะพระอาจารย์พระอาจเจ้าจบอกใครพูดอะไรก็อย่าไปเชื่อเขาอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเชื่อให้เราไปพิพจารณาไปพิสูจน์ก่อนอาจจะต้องไปสอบถามคนนั้นคนนี้เพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าการการที่เราไม่เชื่อเขานี้ไม่ได้หมายความว่าเราเราไม่ไว้ใจเขาเนะแต่เราก็ไม่รู้ความจริงว่าเขาพูดจริงหรือไม่ เราก็ต้องอย่าเพิ่งไปเชื่อแล้วถ้าเกิดเขาพูดแล้วเขาหลอกเราแล้วเราไปเชื่อเราก็จะถูกเขาหลอกได้เนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อใครเขาพูดอะไรฟังไว้รับฟังไว้ถ้าเราถ้าเรายังไม่รู้จริงว่าเป็นจริงหรือไม่เราก็ต้องไปสอบถามหาแหล่งข้อมูลต่างๆ ม, มาพิสูจน์ก่อนมายืนยันก่อนเพราะฉะนั้นเราพอเราไม่รู้หรอกถ้าเ ข, เขาพูดคนเดียวเราจะไม่รู้งานเขาพูดจริงว่าไม่จริง เราจะต้องไปหาคนนี้คนอื่นอีกที่เราไว้ใจได้ว่าเขาเรื่องนี้เป็นอย่างนี้จริงไม่อะไรอย่างน้ให้ยืนยันให้คนอื่นเขาช่วยยืนยันก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์จะจะพยายามแบบไม่ใจอ่อนเวลาโยมเป็นคนโยมไม่คนตัดสินใจเร็วอะคะพระอาจารย์จะเป็นคนที่แบบแล้วถูกก็หลอกใช่ไหมถูกก็หลอกใช่ค่ะก็จะแบบพอฟังปุ๊บจะจ ะ, จะพึกพ ทำเลยอะไรเงี้ยเหมือนมันการตัดสินใจทําอะไรของตัวเองสักอย่างหนึ่งก็คือจะทําถ้าทําก็ทําเลยอะไรเงี้ยมันเราไปอ่านการลามาสูนเนี่ยมีอยู่สิบอย่างพระเจ้าอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเพราะเขาเป็นเพื่อนเราเขาเป็นคนอาจารย์เรานี่ก็ยังไม่ให้เชื่อให้ให้ไปพิสูจน์ดูก่อนว่าสิ่งที่อาจารย์ไรืใครที่เขาพูดนี่จริงก็ไม่จริง เจ้าค่ะเดี๋ยวจะน้อมน้อมน้อมเอาคําสอนพระอาจารย์ไปช่วยยับยั้งชั่งใจในการตัดสินใจในแต่ละครั้งค่ะพระอาจารย์การไม่เชื่อตอนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นบาปหรือเป็นอะไรนะเพียงแต่ว่าคือต้องมั่นใจก่อนว่ามันจริงหรือไม่จริงถ้ามันจริงก็เชื่อได้ถ้าไม่จริงยังไงไม่เชื่อนียต้องพิสูจน์ก่อนพระเจ้าต้องไปพิสูจ น, น์กอนเจ้าค่ะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรรายงานให้พระอาจารย์ฟังว่าโยมก็ไม่ได้เหลวไหลเลยแต่ตั้งใจปฏิบัติด้วยค่ะพระอาจารย์แล้วเมื่อไหร่จะกลับกลับพัทยาก็อ่าก็คือที่จริงร้านจะปิดวันที่สิบแปดถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดโยมก็คงกลับไปถึงที่โน่นก็วันที่ยี่สิบสองครับพระอาจารย์คิดว่าะนะคะหนูยังไม่ดูดตัวกลับเลยเพราะว่าโยมโยมเป็นคนซื้อหนูก็ เป็นคนเออฉันมานะฉันกลับนะอะไรแค่นั้นเนองเพราะว่าทํางานก็ไม่ได้ดูเลยว่าจะต้องมาหยุดวันไหนอะไรวันไหนแต่ก็แต่ก็บอกว่าอยากลกลับบ้านก็แค่นั้นเองแต่พอกลับแล้วก็เลยว่าเอะเรากลับมาตั้งหลายวานันมีเวลาตั้งหลายวานันจะมาแบบมันไม่รู้ว่าหนูหนูเริ่มหนูเริ่มแยกตัวออกจากเพื่อนเพื่อแล้วเนี่ยพาา่อฉันหนูไม่รู้จะทาไงเอะเราเป็นอะไรหรือเปล่าเราเริ่มแยกตัวจากพี่น้องอจากแต่ เพืนเพื่อนที่มาแบบสังสารเราเริ่มรู้สึกว่าอือะไรเนาะมันมันมันมันเริ่มรู้สึกว่าแลเริ่มปัญญาแล้วนเริ่นฉลาดขึ้นนะแล้วค่ะหนูว่าเออหนเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นนะแล้วค่ะมีสัมมาทิฏฐิแล้วแล้วมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะแล้เพื่อนก็บอกเพื่อนก็บอกว่าเออเดี๋ยวก็ถ้าเธอปวดเมื่อยนะฉันจะไม่มาหาเธอ เดี๋ยวก็บถ้าบนแล้วก็ไม่อยากให้การมหาเจ้าขาพระอาจารย์แต่หนูก็อยากให้พวกเขาทาบุญนะก็ให้เขาทไปตามรื่ของเขาแต่อย่ามาหาเราเพราะมาหาเราเดี๋ยวจะทาให้ใจเราเขวได้เจ้าขาขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์ล่ทุ่ขอบคุณคุณนิงจ๋คุณนิงได้ยินไหม คินค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมอ๋อไม่มีคําถามค่ะก็ได้คําตอบจากอะไรหลายคำถามแะจากพระอาจารย์ด้ค่ะจากพเพื่อนน้ค่ะพระอาจารย์ก็ได้อะไรเยอะเลยค่ะพระอาจารย์วันนี้ค่ะก็มไม่มีะอะไรพระอาจารย์ก็ก็ติดปฏิบัติต่อไปค่ะค่ะาการช่วานทำบันดีอย่างเงี้ยบางทีวันหาของคนอื่นมันก็เป็นวันฮาของเราเหมือนกันค่ะค่ะ อาจารย์อดีไวสถามก็ได้อุทานอ่านอยูอ่าครับก็ไม่นอนอ่กแล้วเด็กก็น่าตืนตื่นตื่ครับอาจารย์อ่าคราอาจารย์ก็ไม่มีอะไรครับอาจารย์ก็จะอ่าต่อไปครับอ่าอครับอ่าที่คุณน้ต่อคุณน้กับคุณป้า นรรมสการพราจาร์กับรรสการพระาจารย์ครับ เ, <อ>เป็นยังไงสมการก็ได้ได้ปฏิบัติชดเชยจากที่เคยค้างๆไว้มาบ้านค่ะแต่ก็ยังไม่หมดอยู่ดีค่ะก็ยังดีพยายามรีบชดเชยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้<อ>แล้วก็พาแม่ไปทำบุญบัตวัดใกล้ๆบ้านค่ะอืมดีเป็นการความกตัญญู ใแม่ได้บุญพาแม่ไปทำบุญแล้วก็ต้ามีเรื่องจะถามครับเม่อ เ, เห็นทางพระอาจารย์ตอบค ำ, คำถามท่านอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องว่าการสังเกตเกี่ยวกับเรื่องโลภะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นในในในจิตใจของเราว่ามันมากขึ้นน้อยลงอย่างไรอย่า น, นะครับอย่าง<ม>อย่างเลยเรียนสอบถามพระอาจารย์ว่าอย่างความความอ่าโลภะโทสะนี่เราคงพอพอจะเห็นได้แต่อย่างโมหะนี่ เนื่องจากว่ามันมันผมเข้าใจถูกไหมครับถ้ามันแปลว่าความหลงบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรามีมันอยู่มากน้อยเพียงใดนี่เราจะสังเกตมันยังไงครับก็ดูว่าเราเห็นสายลักหรือเปล่าถ้าเราเห็นสายลั ก, กเราก็จะหลงน้อยถ้าเราเห็นเป็นถ้าเราเห็นเป็นเห็นนิจจังสุขังอัตตาเราแสดงว่าเราหลงมาก แ, แต่เห็นว่าสิ่งนั้นต้องเป็นนิจจังต้อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้องดีไปตลอดนี่เรียกว่าหลงแต่ถ้าเราว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ก็เลยในวัวอนอนุจันเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เห็นว่าทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเที่ยงแท้แน่นอน่แสดงว่าหลงแต่เมื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้ความสุขกับเราแสดงว่าหลงมกาะให้ความสุขตอนนี้แต่วันหน้าวันวันดีขึ้นดีไหมอาจจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็ได้เห็น ไ, ไหม เ, าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ครับขอราขอบคุณอาจารย์มากหรือว่าทำไเห็นว่านั่งกายเราเป็นเราเนี่ยก็ก็หลงอะนั่งกายไม่ใช่เรารรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่อยู่ก็ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราชั่วคราววันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องจากออกไปเราต้องจางออกมันไปเดี๋ยวถึงเดียวถึงจะไมนจะได้ไม่หลง คือมองตายรักงพยายามมองให้เห็นตายรั้งในทุกสิ่งทุกอย่างครับถึงทั้งคนสัตว์สิ่งของอะไรที่เราเจอในชีวิตประจําวันใช่ไหมใช่โดยเฉพาะของที่เราเราเป็นครอบครองไว้อยู่เนี่ยครับครับเนี่ยคนที่นั่งข้างๆตัวเราก็ไม่เที่ยงได้ครับได้ไหมอ่าก็ก็เข้าใจมากขึ้นนะครับจะได้ไปลองดูว่า อ, อหมายถึงว่าถ้าเราปฏิบัติทำมาถูกทางหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะเห็นกิเลสทั้งสามอย่างนี้ลดลงตามลําดับใช่ไหมใช่เราจะมองเราจะมองเห็นทุกอย่างเป็นตายรักแล้วพอให้เป็นตายรักความโลภความโกรธมันก็จะน้อยลงตามทันทีตัวตัวโลภ ก, กับโกรธที่มั น, นเกิดจากความหลงนะถ้าความหลงน้อยโลภโกรธมันก็จะน้อยลงไปถ้าความหลงมากโลภโกรธก็จะมีมากขึ้นไป เรามาแก้ด้วยความหนงนี่แหละตัวสําคัญที่สุดครับหนงกลับขอบคุณครัอาจารย์ครับเข้าใจมากขึนปป้นครับเ้อาอาจารย์จะนไปปฏิบัติครับเช้าครับโอเคอเนะคุณลูกตาชนเมลีอยู่ในตัวจังหวัดเลยนะคุณลูกตาลนามัสตาสถาบันหยุดอําเภอเมืองเลยค่ะอยู่เทถาไหน อยู่บ้านสวนค่ะตำบลบ้านสวนค่ะไปทางไหนไปทางไปทางกรุงเทพหรือว่ามาทางมาทาพัทยามามันอยู่กึ่งกลางกันค่ะตรงตรงบ้านอ ย, <ม>อยู่ในอยู่กลางเมืองเลยเหรออยู่กลางใช่ค่ะหลัง<ม><ม>บ้านมอเตอร์เวย์ไปไปพัทยาไปที่วัดภพรจันได้เลยค่ะอะืไม่ไม่ไกลวัดแถวบางซ้ายนะทัานน่นะปะ ไม่ไกลนะล ก, ก็ก็ต้องขับขับรถไปสักประมาณสิบห้านาทีค่ะวัดเขาบางสายอ๋อแล้วไปอยู่บางปะสร้ อ, อยก็เร่งมาใช่ไหมข้างบนบางปะซร้อยจะอยู่ถึงก่อนบางสายค่ะบางปะซร้อยจะอยู่ในในตัวเมืองเป็นตลาดเป็นตลาดเอาที่ก่อนมันก็เมื่อก่อนที่เขาเรียกแยกเฉลิมไทยนะี่เป็นเป็นอะไรเฉลิลมไทยอันนั้นก็ก่อนจะเข้าบางสายค่ะเฉลิมไ น, นะ เราเลยบางปปะซ้อยไปนิดเดียวค่ะพอนเราไม่ได้อยู่ทางนั้นเนี่ยเรามาออกมาทางมอเตอร์เวลใช่ค่ะออกมาทางเลียงเมืองค่ะ<ร>าอาจา ร, รย์มีอะไรไหมวันนี้ไม่มีคำถามค่ะก็ได้ฟังกัลยานามิตรถามกันก็ได้ความรู้และก็ได้คำตอบหมดแล้วค่ะโอเคเดีนะอาจค่ ะ, ะไปที่กุณฟังางเมื่ไรศิราิชา กั บ, บนักการสึกษาพระอาจารย์พ ร, พระอาจารย์เจ้าข่ามีเวลาที่ที่จะพิจารณาปัญญาค่ะหนูจะไปติดติดตรงนิดนึงตรงที่เวลาคือเวลาเราเจอความทุกข์ค่ะหนูจะไปอ้อยส้อยหรือจะไปแบบไปไปใช้ความรู้สึกค่อนข้างนานนิดนึงกว่ากว่าที่จะปัญญาที่มันจะมาะแต่มันก็ไม่ใช้เวลานานาเราไม่พิจารณาเร า, เร า, เ, ราเราไม่ทําการบ้านไว้ก่อนต้องเตรม คิดทางบรรญาอยู่เรื่อยๆก่อนอ๋อก็คือให้ฝึกฝึกฝนไปเรื่อยๆก่อนฝึกฝนเรื่อยๆความอยากความทุกข์เกิดจากความอยากของเราความอยากของเราเกิดจากความหนุมที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอพอเจ อ, อสถานการณ์ไหนแล้วก็เอาตรงนี้มาใช้ตัดได้เลยตัดได้เลยอืมค่ะส่วนส่วนการการ หนูหนูจะไปติดคําว่าน้อมน้อมจิตพิจารณาค่ะเพราะเพราะเขาใช้คําว่าน้อมปุ๊บหนูก็จะแบบก้มหัวอลไรหนูเลยหนูเลยไม่มั่นใจว่าการใช้คําว่าน้อมน้อมก็เกิดดึงเรื่องเอาเข้ามาให้ให้ใจกับพิจารณากันดึงยกเรื่องขึ้นมามีปัญหาเรื่องไหนมีปัญหาก็เอามาพิจารณาเป็นเหมนทําข้อสอบทําการบ้านถ้าทุกข์กับแม่ก็ี้ก็อเอาเรื่องแม่มาพิจารณาค กลแม่กลัวแม่จะเป็นนู่นเป็นนี่ก็พิจนารณาแล้วห้ามเขาได้เปล่าเขาเวลาเขาจะเป็นนี่เาเป็นอนัตตาหรือเปล่าเขาเป็นอนัตตาเราห้ามไม่ได้เขาจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นเราเตรียนตัวรับกับเหตุการณ์ทำใจแล้วกับเหตุการณ์ไปมันก็จะไม่ทุกข์ก็ค่ะแต่ถ้าไม่ยอมรับว่าเขาต้องเขาต้องดีก็ต้องไม่ไม่เป็นอะไรอย่างนี้ก็จะทําให้เราทุกข์เวลาเขาเป็นขึ้นมา เจ้าค่โอเคเจ้า่ะเดี๋ยวหนูไปไปฝึกปฏิบัติต่อเจ้าขาขอบคุณเจ้าคะ่ again, ะอนนี้คุณโยมเจณ์อยู่พิสเบิร์กเพนซิลเวเนียธรรมะการเจ้าคะ่มมะมาร่วมฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรนะไม่มีค่ะคือญาติธรรมทั้งหลายก็ตอบคำถามแทนเราค่ะพระอาจารย์ไม่ใช่เราถามแล้วพระอาจารย์ตอบแทนแล้วค่ะพระเจ ก็ตอบคนเหนือบางทีเขาก็มีคำตอบเหมือนกันใช่ไ่ค่ะบางทีเป็นคำถามเดียวกันค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะโอเคสบายดีนะดีทางโน้นออสบายดีค่ะพระอาจารย์ยมยมแม่แม่ของโยมพี่ชายแล้วก็พี่สะพ้ยไปใส่บาตรพระอาจารย์ทุกวันอาทิตย์เลยเจ้าค่ะนี่จ่าสาธุบูรณะสาธุค่ะโอเคไปนี้คุณชัยนิตต่อคุณหน่อยหายไปหลายอาทิตย์เนี่ยนะไม่เจอกันเลย อ่าพระอาจารย์ได้ยินหน่อยไหมคะได้ยินได้ยินจ้ะค่ะกล่าวธรรมะซการพระอาจารย์จ้าค่ะใช่จ้าข่าวหายไปโดนกิเลสนับนี่เรียนนะนี่เรียนวันยำก้าวเรียนนะเรียบร้อยเลยค่ะคือจริงๆปัญหาของหน่อยก็เหมือนเจอกับพี่หญิงที่เคยเจออะค่ะแต่ที่จริงคือปัญหามันยังไม่เกิดหรอกพระอาจารย์แต่คือไปกินข้าวแล้วทีเนี้ย ด้วยความที่หน่อยอ่ะไม่มองผู้ชายหล่อแล้วอ่ะพระอาจารย์จะมองเห็นไปกระดูกแม้กระทั่งใครก็ช่างไหน่อยก็ไม่ได้มองแล้วแต่ว่าคือด้วยคนของหน่อยก็เขาก็ยังรักโลกกดหลองอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ยังคือด้วยความที่หน่อยพิพจารณาสุภาพหน่ยก็ยังมองเห็นกระดูกเดินได้หมดอ่ะเจ้าค่ะแต่คือด้วยความที่คนที่บ้านเขาไม่ใช่ไงเจ้าค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เห็นอะไรที่มันสวยงามอะ่ะเขาก็อแล้วลราคือ หน่อยหน่อยหม่อยไม่เข้าใจว่าทําไมหน่ยตัดไม่ได้ทําไมหน่อยไม่มองเขาเป็นกระดูกเหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็มองสิก็พยายามมองไปเรื่อยๆ แ, แต่ว่าก็ไม่ลืมความตายนะจ้าค่ะก็รู้ว่ายังไงตายเหมือนกันเจ้าค่ะอืความตายก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆเจ้าค่ะก็ ก, <laughs> ก็พยายามมองกระดูกเขาให้เห็นบอกพยายามมองเขาทีละก้อนเนียกแต่งโคกระดูกเขาขึ้นมาเรื่อยๆคือ <laughs> เข้าใจเห็นว่าไม่อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเคยเคยฟังพระอาจารย์บอกว่าถ้าพิจารณาคนใกล้ตัวเราก็จะไม่ไม่ได้แบบไม่กล้าพิจารณาอช่เจ้าค่ะก็เลยคนนี้ลาไว้ก่อนอะไรนะคะแต่ว่าอื่นก็ก็ไม่ลาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหน่มในก็แราวอเลยเป็นทําให้เราทุกข์กับเขาไปถ้าเราเห็นเราไปโฟกระโดดเราก็จะไม่ทุกข์กับเขา อ่เจ้าค่ะหน่อยก็เลยจะขออขออาการแก้น็อกของเงินมันไปหมดเลยเจ้าค่ะก็คิดชอบเขาก็เหมือนคนอื่น่คนอื่นก็เหมือนเขาเราคนอื่นเราเทียกบกับเขาหนึง่งคนหนึ่งก็มีผมเขาวันนี้ก็มีผมคนหนึก็มีขนคนที่ก็มีกขนเน้นไ น, นหมดพิจารณาไป แล้วก็ตายเหมือนกันหมดใช่ไหมจ๊ะค่ะตายเหมือนกันหมดอมแต่คือสําคัญคือทําไมไหนยังยอมไม่ได้นี่แหละเจ้าคา่ะกว่าจังยังพอรายังหลงอยู่ไงมันยังไม่เห็นว่าไปคงกระดูกไปหลงไปพวงคงกระดูกไว้ทําไมถ้าเกิดเข้าวันนี้หยุดเราหายใจ ห, หยุดหยุดทายใจวันนี้จะเก็บเขาไว้อยู่ในบ้านหรือเปล่า ก็ไม่อยู่ดีนะเจ้าค่ะพิจารณาตอนนี้ก็เป็นสร้ากศพบ้างเนี่ยั้งหมดลงวันนี้ปั๊บเดี๋ยวก็ใครจะต้องการก็ยกให้เลยเช่นีนี่ไม่หวงเลยอยากจะได้เอาไปเลยยกให้สับปเปล่เลยเจ้าค่ะต้องพิจารณาแล้วก็อิจารณาตอนที่เขาตายเลยถ้าไม่กล้ามองคงกระดโดชื่อถึงตอนนี้ก็หมดลมหมายใจก็ไดนะ้ แล้วคืนนี้เก็บไว้นอนด้วยกันถ้าคืนส่งท้ายก่อนบ๊ายบายจริงๆอ่ะฟุ้งซ่านมากเลยนะเจ้าคะ่ะแล้วทีนี้หน่อยก็เลยไปฟังธรรมะขอ ง, ลงหลวงพ่อฤาษีเริงดำนะเจ้าคะ่ะคื อ, อมีอันนึงที่แบบว่าเคยมีพุทธสาวกถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าถ้าเราหยุดฟุ้งซ่านไม่ได้เราจะทำยังไงก็เลยมีคำตอบว่าพระพุทธเจ้าบอกว่า ให้ตามดูเอาสติตามดูปล่อยเข้าไปแล้วก็สติตามดูมันเหมือนทางแยกอะเจ๊ค่ะแล้วก็แบบคอยดูเรื่อยๆแบบแอบมองอยู่นะจ๊ะคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอพอถึงทางที่มันจบกันนะจ๊ค่ะก็มับเลยแล้วทีเนี้ยหน่อยก็หยุดเลยเจ๊ค่ะก็หยุดคิดตรงนั้นเลยเจ๊ค่ะก็ ตอนแรกอะหน่อยก็คิดอยู่นะว่าหน่อยจะทํายังไงดีเพราะว่าหน่อยก็เหมือนแบบมันมนอะจ้ะค่ะความคิดมันวนอยู่อนะหน่อยก็เลยแบบก็ไม่มีทางออกก็เลยลองฟังธรรมะตัวจ้ะค่ะก็ห <c oughs> าทางออกความคิดแบบบกวนมากเลยจ้ะค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้ก็พอได้สติเนี่ยจ้ะค่ะก็วันพุธนี้ก็ก็กลับมาแล้วจ้ะค่ะดีคดี <c oughs> กลับมาหาพระอาจารย์แล้วเจะาค่ะ <Okay. S 2> ไม่ไมมจริงๆเจ้าค่ะเพราะว่าแบบชีวิตมันทุกข์มากเลยเจ้าค่ะอืมไม่อยากกลับมาเกิดแล้วเจ้าค่ <laughs> ดียพยายามหยุดนนนะในการพิจารณาในการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าจาหยุดได้เจ้าค่ะชีวิตก็วาวุ่นมากแต่ก็พยายามหาเวลาทําเจ้าค่านะในจะหาเวลา ทำได้ตอนนี้ก็ยังอะไรยังไม่ลงตัวก็สักวันก็ต้องลงตัวจ้ะค่ะพยายามฟังเทศพยายามปฏิบัตินะฟังเยอก็ไม่พอปฏิบัติแล้วไม่ฟังเนี่ยก็เดี๋ยวก็หลงทางได้ต้องทั้งฟังทั้งปฏิบัติควบคู่กักนไปใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนแรกหน่อยก็ปฏิบัตินะเจ้าค่ะแต่พอเอาไปเอามาแล้วเหมือนกินเหแบบอืบบเขาน n o c เราแบบสุดๆเลยคือแบบอืม้มแบบ ไหนไม่รู้จะแบบทํำยังไงเลยเจ้าคะ่ะวันที่ยี่สิบแปดไหนจะไปฟังธรรมพระอาจารย์นะจ๊ะค่ะบอกไว้ก่นนะอนอย่าไปจองอะไรเดี๋ยวมันมันจะถึงวันนั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่บอกไว้ก่อนเพื่อแบบว่าเป็นใจในการบอกว่าต้องทําให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเอได้ถ้ามาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียสัจจะนะจริงเจา้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าถ้า ถ้าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะจ้าคะ่ะถ้าพูดถ้าถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่หลายว่าวถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรถ้าค่ะเพราะว่าถ้าถ้าไปไม่ได้เนี่ยก็จะฟังออนไลน์เจา้าค่ะโอเคได้เรามาในห้องซ o ม น, นี้ก็ได้ไม่ต้องมาที่ไม่ต้องมาที่กุปิก็ได้จริงๆอ่าเข้าใจที่ญาติธรรมไปหลายๆคนนะจา้าค่ะคือแบบ ธรรมะสดใหม่แล้วก็พอไปฟังแล้วมันรู้สึกเขิมเจค่จะแล้วก็ ม, มีแรงในการปฏิบัติจริงๆเจค่จะเ ข, ข้าใจะ แ, แล้วก็ได้นั่งสมาธิไปในตัวด้วยท <ใช S 1> วันนีนั่นชงชั่วงหนึ่งไม่ได้แต่นั่งฟังเทศฟังธรรมชั่วโมงนีนั่งได้ใช่เจค่ะก็าาธรรมะพระอาจารย์เป็นอะไรที่ดีมากเลยเจค่ะย่อยยอยอยอต่อหน้านเลยจริงจริง คือถ้าถ้าเราไม่มีทุกมันก็ไม่เห็นทมอย่างที่พระอาจารย์บอกนะลุงบอมีปัญญาเบากเกินนะใช่สิคะก็เพียงเหมือนที่ฟังยติธรรมพี่แนนบอกว่าปัญหาเข้ามาเถอะเราจะได้มีบา ร, รมีเหมือนกับจริงๆหน่อยเชื่อเสมอว่าทุกวิกฤตจะต้องมีโอกาสจะา้ะค่ะไหนก็เลยอมอง ไหนจะต้องหาทางออกได้สักวันในการเจอปัญหาอขอบคุณที่เจอพระอาจารย์นะจ๊ะค่ะโอเคสาธุจ okay, ้ะไม่มีอะไรละคะ่ะสาธุขอให้ทุกหมดไปเร็วๆนะ <laughs> ตายอย่างเดียวจ้กค่ำไหนวะโอเคไปดิคุนซิลินดอนเมอร์วิลด์สิลเวอร์สปริงเป็นยังไงทำงานอยู่เช่นเคย เย็นเคยเจ้าค่ะพระอาจารย์กลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่าอะอาจารย์สบายดีนะคะใช่สบายดีค่ะเห็นพระอาจารย์เทศทุกวันเลยค่ะโยมก็ฟังพระอาจารย์ทุกวันเหมือนกันค่ะอามตามไม่หยุดเลยซ้สำซากไม่เบือ่อไหมไม่เบื่อค่ะพระอาจาร ย, ย์โยมยังฟังโยมยังฟังแผนที่บรรลุธรรมอยู่เลยนะคะพระอาจารย์วันที่ที่แล้วเพราะเหมือนตรามันดีมากค่ะพระอาจารย์คือเหมือนกับว่าพอเรา ไม่ได้มีสติ ต, ตามฟังทุกคําพูดนะคะ mm hmm. บางคําพูดเรารู้สึกว่าเราขาดไปเราต้องย้อนกลับไปฟัง mm hmm. ย้อนกลับไปฟังใหม่ย้อนกลับไปฟังใหม่ว่าเราหลุดไปตรงไหนนะคะ mm hmm. พอเข้าไปแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเราไม่มีสติตเราขาดส ต, ติในแต่ละวันทําให้เราลืมไปว่าเราต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาต้องพิจารณาไตรักณต้องพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงขันห้าไม่เที่ยงต้องพิจารณา เราก็จะเริญสติไปเรื่อยๆอะค่ะ mm hmm. แต่คราวนี้เนี่ยวันนี้โยมมีคําถามพระอาจารย์โยมจําได้ว่าพระอาจารย์เคยเคยเคยตอบคําถามโยมอะค่ะบอกว่าการปัจงารปฏิบัติสมาธิของเราเนี่ยก็คือการการสร้างพลังจิตคราวนี้เนี่ย อ, อถ้าพลังจิตของเราสูงขึ้นเรื่อยๆเวลาที่เราต้องการที่จะรู้ว่าเราจะไปสุขกติหรือทุกติเนี่ยสามารถดูได้จากความฝัน ว่าถ้าเราฝันดีก็คือเรามีความสุขถ้าเราฝันร้ายคือเรามีความทุกข์โยมก็เลยอยากจะถามว่าเวลาที่คนเราปฏิบัติแล้วสุขเบาสบายอันนี้มันคือการมันใช่อย่างเดียวกับการที่เราจะบอกว่าจิตของเราปรับเปลี่ยนภพภูมิให้ไปอยู่ในภพภูมิต่างๆในจังหวะเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้หรือเปล่าคะเหมือนเป็นแซมเปลิลอย่างนะะี้คะใช่ การปฏิบัติของเราเนี่มันจะปรับระดับจิตของเราไปจากระดับถ้าเราทำมุญทำทานรักษาศีลเราก็จะอยู่ระดับเทพพอเรามาปฏิบัติทำถือศีลแปดเราก็จะขึ้นมาสู่ระดับระดับพรหมแล้ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาตายรักเราก็จะไปสู่ระดับพระอริยบุคคลเนี่ยมันจะมันจะพัฒนาไปมันไม่ได้เราไปเป็นตอนที่เราตายมันเป็นตั้งแต่ตอนที่เราปฏิบัติเลย มันเกิดขึ้นทันทีที่ใจของเราแล้ววิธีการที่เราจะรู้ก็คือเรารู้ได้จากความเบาสบายของจิตใช่ไหมค ะ, ะนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะเราก็จะรู้ว่าธรรมะจะบอกว่ามันเหมือนแผนที่ไงถ้าเราดูแผนที่เราก็จะรู้ว่าเราขับรถมาถึงจุดนี้แล้วนะจุดนี้มีชื่อว่าอะไรอย่างไรแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราก็เพ่งอย่างเดียว่าเราถึงจุดนี้แต่เราไม่รู้ว่าชื่อมัอนชื่ออะไรแค่นั้นเอง เราจะไม่รู้ว่าเราตอนนี้เราอยู่ชั้นเทพได้อยู่ชั้นฟอมได้อยู่ชั้นอริยะบคุคคลแต่เรารู้ว่าจิตเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นตามอลำดับเราจะรู้อย่างนั้นแต่ถ้าเรามา <c oughs> ถ้าเรามาศึกษาธรรมะเราก็เหมือนเราเปิดแผนที่ดูว่าเอ๊จุดตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรจุดตรงนี้เขาเรียกว่าอะไระแล้วก็ขออีกคําถามนึ่งคะ่ะพระอาจารย์แล้วอย่างออยอมสังเกตตัวเองว่า ถ้าทุกวันที่โยมปฏิบัติธรรมก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยโยมจะฝันโยมจะไม่มีความฝันแต่ถ้าวันไหนเอาใหม่คเะ้าจานทร์ถ้าโยมคิดเอาเองว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจค่ะจากจะให้พระอาจารย์ช่วยช่วยแนะนำว่าการที่เรามีสติเวลาเวลาเราหลับฝันเราหลับไปเราจะไม่มีความฝันใช่ไหมคะใช่ฝันน้อยเพราะสะติจะคอยควบคุมความคิดไว้ความความฝันก็เ ก, กอย่ากความคิดปรุงแต่งว่า แล้วถ้าเราต้องการที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งของเราในความฝันเราสามารถทำได้ไหมคะไม่ได้แล้วมันก็อยู่ที่กำลังของของการที่เราฝึกไว้ว่าเราเราหยุดได้เท่าไหร่มันก็จะหยุดเท่านั้นแต่เราจะไปตอนนั้นมันเหมือนก็เป็นรถทัาเป็นรถนก็เหมือนอยู่ในเกียร์ออโตโ้เราไม่สามารถที่จะไปบังคับเปลี่ยนเกียร์ได้เองในขณะที่เรานอนหลับมันก็จะเป็นไปตามตามภาวะของจิตของเรา พบาง<ส>ครั้งอยู่ใจอ่ะค่ะพระอาจารย์ว่าอย่างถ้าเราไปฝันเนี่ยไอทิง้งไอสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงอะค่ะพระอาจารย์แล้วเราไม่ต้องการไปเห็นนะคะพระอาจารย์ก็เราไม่ต้องไปเดี๋ยวไปคิดว่ามั น, นจริง <levers. S 1> ก็เรียกว่ามันเป็นแค่ความฝันก็แล้วกันจนกว่ามันจะมีอะไรมาพิสูจน์ให้เรารับรองว่าเป็นความจริงแล้วก็ค่อยก็ค่อยว่ามันเป็นความจริงความฝันนี่มันเป็นได้ทั้งจริงและไม่จริง ถ้เ า, า, าเราไม่สามารถถ้าเราไม่สามารถยกแยะได้เราก็อยากไปอย่ากเพิ่มควาเชื่อว่ามันเป็นความจริงต้องรอพิสูจน์ก่นรอาจารย์ค่ะวันนี้มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์รยแล้วกทท็ที่ตอบนี้เข<พ>้าใจเลยยงเข้าใจค่ะแล้วยงคิดว่าอีกส่วนหนึ่งที่ยงคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเวลาที่เรานอนเนี่ยเราอาจจะมีสติน้อยเกินนะคะ mm hmm. ลยงอาจจะต้องพิจารณาให้แน่นกว่า น, นี้ก่อนจะหลับนะคะว่าให้จับอยู่ที่ลมหายใจ มันจะได้แน่นอนว่ามันอยู่กับตัวค่ะพระอาจารย์ถ้ามีสติมันก็จะหลับง่ายถ้าไม่มีสติบางทีมันก็จะหลับยากยากถ้าปล่อยให้ใจคิดมากๆมันก็จะนอนไม่หลับก็มีใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์แต่นี่เป็นเรื่องของการหลับง่ายและหลับยากแต่เรื่องของสติที่เราฝึกในเวลาอื่นก่อนนอนเนี่ยมันจะมีส่วนทาให้เราฝันแล้วไม่ฝันเลยถ้าวันไหนเราตั่งสมาธิได้มากเนี่ยเวลานอนหลับมันจะฝันน้อยแล้วไม่ฝันเลย ขณะที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเลยเนี่ยมันเวลานอนหลับมันมักจะฝันไงใช่่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเราได้ไปอย่างเทศกาลสงการไปกราบไปไหว้ผาอย่างได้ไปเจอผู้คนได้ไปพูดคุยกับผู้คนเนี่ยมันมันก็เหมือนกับจะไปดึงไปดึงความคิดต่างๆเหล่านั้นเข้ามามันทําให้เราไปฟุ้งซ่านในเณลาฝันด้วยใช่เราก็จะฝันทั้งเรื่องเหล่านีงได้ค่ะก็เลยต้องหยุดโยนก็เลยคิดว่าพิจารณาว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะต้องหยุดกิจกรรม หยุดกิจะรดับจากงานมุอกุศลนี่มันเป็นสวรรค์ชั้นเทพเราต้องการขึ้นสวรรค์ชั้นพรรมเราก็เราปิดเทวันตาของจมอกเน้นายไม่ไปไม่ไปที่ไม่ไเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกินรถต่างๆค่ะพอาจารย์เข้าใจเล้วค่ะพระแบขอบคุณการหากแล้วก็จิบจิบฝากมากราบพระอาจารย์ด้วยนะคะ ว, วันนี้วันนี้เขาไม่ได้นะวันนี้าษีวันภาษีหมดภาษีรผ่านมาแล้ว อ้าวฝากให้กับพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์ทันแข็งแข็งแรงค่ะโอเคเราทําภาษีเราเสร็จหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะโยมต้องจ่ายคืนเก็ไม่เขาไม่คืนเราแล้วต้องจ่ายเข้าเลยบางส่วนเขาก็คืนเราแต่บางส่วนเราก็ต้องคืนเขาค่ะโอเคพระอาจารย์ขอบคุณทุกคนนะคะพระอาจารย์หมอสุทธาเสนเป็นยังไงสบายดีเลย นาัสการันธรราชา์เจ้าค่ะสบายดีค่ะมีอะไรไหมวันนี้มีนิดหน่อยเจ้าค่ะพอดีว่าคนที่บ้านเขาพูดถึงการเตรียมตัวตายเจ้าค่ะอ่ารู้ก็เลยจะอยากขอความเมตตาท่านอธิบายวิธีเตรียมตัวตายเจ้าค่ะก็คิดเสียว่าเวลาคนตายเขาเป็นยังไงบ้างคนตายเขาก็าไม่ห่วงซบสมบัติเจ้าขลองเงินเทาใช่ไหม แล้วก็ไม่หวงแฟนไม่หวงลูกไม่หวงอะไรทั้งนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวทําใจเราอย่ายไปหวงอะไรเพราะของเราเนี้เราเอาไปกับเราไม่ได้ไม่ใช่เป็นของของเราความที่จะยกให้คนอื่นได้ตลอดเวลาใครอยากยาวผัวไปก็ไปเลยใครอยากยาวลูกก็ไปก็ไปเลยนีย่คือการเตรียมตัวตายคนตายไม่มีคาไม่มีความต้อง ก, การอะไรไม่เรียกร้องอะไร กินดีตามมีตามเกิดระยาร่างกายของคณตายไปนอนตรงไหนมันก็มันก็ไม่ไม่บน่นไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นไม่ห้ามนี่คือการสุดตายคือเรา้องปล่อยวางทุกอย่างให้ได้เข้าใจไหมอย่างเงี้คุณเข้าใจชัดเต็มเจ้าค่ะ เทำไมคนตายเขาไม่ต้องการเขาไม่ต้องการอะไรนะมันถามว่าคุณเอาเออกกาแฟไหมเขาก็ไม่เอาอะจะนอนให้ห่ผมผ้าเขาต้ไม่ห่มเขาก็ไม่ว่าเลยถ้าเป็นถ้าตายได้อย่างนี้ก็อยู่แบบอยู่แบบคนตายได้ก็สบายใช่ไหมยังไม่ทุกกับใครเลยไม่ทุกกับเรื่องอะไรเลยคนตายไม่ทุกกับอะไรเลยใช่ไหมไม่แต่ร่างกายของเขาเองเขาก็ไม่ทุกใช่ไหมคนตาย แต่ร่างกายของไปเผาไปฝังเขาก็ไป่เขาก็ไม่ตุ้บเขาก็ไม่เดือด น, น้อยไปกิดแบบนี้นะคือหัดตายแบบปก่อนตายละป้าต้องตายแบบนี้คือปล่อยวางทุกอย่างได้หมดอยากกราเปลี่ยนท่านพระอาจารย์ป้าอช่วงนี้ปฏิบัติสมาธิดีขึ้นเจ้าครอ่ะการจะปล่อยได้แล้วต้องอาศัยสมาธิเนี่ยนะถ้ามีสมาธิมากเท่าไหร่ก็จะปล่อยได้มากั จค่ะนะต้องคิดต้องคิดว่าเราเราต้องเราต้องเราต้องตายแน่นอนวันใดวันหนึ่งงั้นซ้อมตายแค่ทั้งต่บัดนี้ได้ก็ดีเวลาตายเวลาพัดภาคจากใครเราจะได้ไม่เสียใจเราจะได้จะได้ไม่ทุกข์จักค่ะน้อมนำคำสั่งสอนของท่านอาจารย์ไปปฏิบัติเจ้าค่ะ อย่า ต, ต้อปฏิบัติสมาธิก็พูดกับไปปัญญานะอย่าอย่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเจ้าค่ะช่วงนี้ลูกเน้นปฏิบัติด้วยการเจริญสติแล้วก็นั่งสมาธิมากๆเลยเจ้าค่ะดีถ้ายังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิก็ต้องเอาสติสมาธิก่อนแค่อยไปทางปัญญาเจ้าค่ะวันนี้หมดคําถามแล้วเจ้าค่ะคุณพอาจารย์อ่าเจ้าอาจารย์อันนี้คุณปานามเจอาคุณปานามเซลเริ่มเอาด้กันใช่ไหม ทำได้นะยังไม่ได้เปิดใหม่นะแบบนมัต ก, การเจ้าค่ะพ่อจันเป็นยังไงดี เ, เซลประกันกเจ้าค่ะรู้เข้ามาฟังทำค่ะก็สงการที่ทำวัดไทยในคนไปเยอะกันไหมสงการปีนี้คนเยอะมากเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วก็ หนูก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในครัวช่วยดูแลเรื่องจัดอาหารอะไรพวกนี้ยค่ะมีถ้าเป็นวันมีที่ให้ทำปฏิบัติ ท, ทำได้ไหย ม, มีเจ้าค่ะนะโบบ้านอาจารย์ที่เจ้าว่าท่านเน้นสอนเรื่องการปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะก็ดีแล้วก็มีคนอยู่ปฏิบัติด้วยนะทั้งคืมีอ่าส่วนใหญ่ที่นี่ถ้าเป็นวันจันร์จะมี อ่าต่างชาติมาปฏิบัติเจ้าค่ะหลวงพอ่อแล้วก็มีพระอาจารย์ที่ท่านเคยปฏิบัติเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วค่ะตอนนี้ท่านก็ดูแลหลวงพอ่อวัดที่น้องจ้าไปเอ่อไปถวายเพยลหลวงพอ่อเจ้าค่ะที่หลวงพออ่อชารีเจ้าค่ะอืท่านจะมาท่านเป็นลูกศิษย์ท่านได้บวชที่อ่าที่วัดนี้แล้วก็ท่านก็ไปอุปถัมภ์หลวงพ่อที่เขาเรียก LP hermitage นะเจ้าค่ะ แล้วก็ท่านจะมาสอนต่างชาติเรื่องการปฏิบัติธรรมะมาคอยไปล่ามให้อ่าหลวงพ่อจเจ้าอาวาส ด, ด้วยเจ้าค่ะดีดีค่ะแการปฏิบัติก็ดีมีค่ะปฏิบัติท่านดีใจมากถ้ามีญาติโยมมาปฏิบัติเจ้าค่ะหนูก็หลังจากเสร็จจิตวันอาทิตย์ถวายเพนดูแลเรื่องล้างถ้วยล้างจานอหนูก็จะปฏิบัติต่อดูแลช่วยทําความสะอาดไปด้วยปฏิบัติไปด้วย กางศาสนาการหลงศา<อ>นงสน า, ส า, สาคือการปฏิบัติเจ้าค่ะฉักจะไม่ทิ้งเลยเจ้าค่ะถ้าระหว่างวันก็จเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็ออกทางปัญญาแต่ก็มีถ้าเกิดว่าต้องไปทำงานก็มีกระทบก็มีเข้ามาบ้างก็พยายามใช้ปัญญาพยายามวางทาเป็นวางเป็นอุเบกขาเจ้าค่ะหลวงพอ่อก็ แล้วค่ะแล้วก็จะไม่ทิ้งนะคะมีน้อมนํา ค, คําสั่งสอนของพระอาจารย์ทุกรูปไปปฏิบัติคอยอบรมจิตใจก็เยอะค่ะกิเลสก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆอ่ะค่ะไม่ทิะมีมากมามปีนี้คนมากัดมัสการอ๋อพีนี้คนมาอวัดอวัดไทยที่นี่เยอะมากมีทั้งคนลาวก็โทษ น, นะคะแสงเข้าจะค่ะ Mm hmm. มีทั้งคนลาวคนขเขมรคนไทยคนลาวนี่เขาจะเน้นเรื่องการทำบุญมากมา ก, มากจ้าคะ่ะหลวงพ่อก mm hmm. ็จะเน้นพิธีชีวิตเหมือนเหมือนบ้านเราจ้าคะ่ะ mm hmm. ส่วนใหญ่ลูกก็จะเนี่ยคะ่ะชีวิตวนเวียนอยู่บ้านวัดส่วนใหญ่จะวาดใจอยู่ที่วัดจ้าค mm ่ะ hmm. <c oughs> <c oughs> กรบพระอาจารย์ฝากสวัสดีน้องจ้าด้วยนะคะเพระวาน้องจ้าเขางรออยู่เดวเดี๋ยวเขาพูดก็ได้ยินแล้วเขายกมือพยัยามหน้าอ๋อครับที่ได้รู้จักแต่เพราะว่าคุณป้าท่านคุณป้าที่อุปถักลองพ่อถามอยู่ว่าอ่ารู้จักน้องจ้าไหมเคยเจอไหมหนูเขาบอกว่าหนูเคยได้ยินชื่อแต่ว่าไม่เคยเจอตัวแล้วก็ไม่เคยได้คุย่ะคะสวัสดีค่ะอ่าป้ากับ น่ามาจัดการลาวัาจาเลยนะคะอาจารย์ทุอหน่ที่ผ <c oughs> ู้จอยก่อนน้องจอยก่อนน้องจอยวัตถยาเป็นยังไงตอนนี้ก็ดีค่ะเออแต่ว่าหนูหนูอยางรู้ว่ามนุษย์เราคนเราอ่ะรู้ว่าอะไรี้มันไม่ดีแล้วเขายังเข้าไปยุ่งเนี่ยคือเขาไม่มีสติหรือเขาไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีกําลังสู้สู้กับกิเลส รู้ว่าไม่ดีแต่ก็ห้ามใจไม่ได้เพระสติไม่มีกําลังพอต้องฝึกสติเยอะๆเราก็หมายถึงว่าจิตใจเขาไม่ได้คิดที่จะปฏิบัติเขาเลยไม่รู้ใช่ไหมครับใช่ถ้าไม่มีสติก็สู้กิเลสไม่ได้รู้ว่าไม่ดีรู้ว่ากินเหล้าไม่ดีก็เลิกไม่ได้รู้ว่าเที่ยวไม่ดีก็เลิกไม่ได้ก็เออหร้ออยู่กับหรืออยู่กับครอบครัวที่ยกินเหล้าเนอ้ก็เลยสงสัยว่าทําไม เขาก็รู้แต่ว่าคือทาไม่ได้เลไม่ได้ยังเลกไม่ได้ไม่ฝึกสติถ้าฝึกสติก็จะเลิกได้โ <ไป S 1> <Okay. S 2> อเค okay. ตัดทิ่งไปที่คุณกีตาร์ก่อกีตาร์ทั้งยากนะคุณเข้ามาทั้งแากใช่ไหมเปิดไม้ก่อนจนะยังไม่ได้เปิดไม้ กราบธรรมส ก, การพระอาจารย์ค่ะเข้ามาฟันอ่าพูดได้เลยเชิญค่ะก็เพิ่งได้ฝึกปฏิบัติธรรมช่วงปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ช่วงต้นปีก็มีมีบุญไปกราบพระอาจารย์แล้วก็ไปฟังธรรมที่หน้ากุฏิค่ะหลังจากนั้นก็ตามฟังธรรมพระอาจารย์มาตลอดค่ะแล้วก็ช่วงสงการก็อยู่บ้านแล้วก็ปฏิบัติถือศีลแปดได้ น่าจะสองวันแล้วก็ฟังเทพพระอาจารย์ทุกวันเลยค่ะก็พยายามที่จะะฝึกปฏิบัติแต่ว่าด้วยงานที่ทำค่ะพระอาจารย์เป็นงานที่ที่ทํารายการข่าวต้องออกหน้ากล้องเนี้ยค่ะมันก็อาจจะมีบางวันที่มันยังต้องแต่งหน้าแต่งตาจริงๆอยากจะถือศีลแปดทุกวันเลยแต่ว่าในช่วงระหว่างวันทํางานก็อาจจะได้ถือศีลห้าก่อนค่ะพระอาจารย์ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันจําเป็นถ้าเราต้องทํางานเราก็ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ก็ไม่จําเป็นจะต้องรักษาสินแปลนินแปลนี้มีไว้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมถ้าวันไหนล้วไม่ทํางานวันนั้นก็ถือสินแปลนได้ค่ะค่ะแล้วในวันที่ที่ถือสินแปดพระอาจารย์มีคาชี้แนะให้ให้ปฏิบัติยังไงบ้างคะปกติเท่าที่อยู่บ้านก็ สวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมแล้วก็แล้วก็พยายามเจริญปัญญาแต่ว่ายังทำได้ไม่เก่งนะคะแต่พยายามอยู่ค่ะต้องพยายามเจริญสติก่อนฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยคอยควบคุมความคิดให้เราอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้หรือให้อยู่กับคำบริีกรรมพุโทโธพุโทโธก็ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดแล้วเวลาที่เราไม่มีภารกิจต้องทำเราก็นั่งสมาธิ ใช้กรรมวิกรรมพุทโธก็ได้เวลานั่งหรือจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้อันนี้ก็เป็นกิจที่เราควงกระทำในเบื้องต้นเวลาที่เราปฏิบัติทำไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่วัดก็เัน้ต้นต้องพยายามฝึกสติให้ได้มากก่อนแล้วนั่งสมาธิให้จิตให้ ส, สงบได้ก่อนแล้วค่อยไปพิจารณาทางปัญญาต่อไปตามลาดับ พระอาจารย์แล้วถ้าเกิดความคิดฟุ้งซ่านเกิดคิดไปอดีตบ้างอนาคตบ้างควรทํายังไงดีคะพระอาจารย์ต้องใช้กรรมวิกรรมพุโทโธหนึ่งถ้าเราพุโทโธพุโทโธมันก็ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นแรื่นี้ได้ที่มันมคิดได้เพราะเราไม่มีพุโทโธคอยคอยหยุดมันถ้าคิดถ้าเราเบื่อพุโทโธแล้อว่ามันสั้นไปก็ใช้บทสวดการสวดมนต์ไปในใจแทนก็ได้ ส่วยไปในขณะที่เราทําอะไรต่างๆโดยที่ไม่จำเป็น จ, จะต้องนั่งพนมมือส่วนส่วนได้โนกริยาบทนะค่ะพระอาจารย์จัดขยันปฏิบัติค่ะจะขอเข้ามาส่วนธนธรรมทุกๆสัปดาห์อา <c oughs> จารย์ยินดีต้อนรับเสมค่ะโอเคกรุง okay. เทพใช่ไหมอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์โอ okay. เคสาธุสาธุค่ะการนมัสการอ่าบ่ายที่คุณจ้า เ, เขาเรียกจ้าเอีนเขาเรียกจ้านะเขาเรียกจ้าเาลองจนะถาบนมาสการค่ะพระอาจารย์เรียกอะไรก็ได้ค่ะพระอาจารย์มัม น, นยังจอบอจานสละอาร์เจเอ็มมืนมันนี้ยังหนาวยแบบที่ออร์แกนยังหนาวเยแบบือช่วงนี้เริ่มอุ่นขึ้นแล้วค่ะอาทิตย์นี้อ่าหนูคิดว่าอาทิตยช่วงเนี้ยค่ะประมาณวันสองวันนี้น่าจะหนาวสุดท้ายแล้วก็อาจจะอุ่นขึ้นไปสักกับประมาณสองสอาิตย์แล้วก็อาจจะหนาวอยู่เพราะว่ามันยังเดินไมสาย ถ mm hmm. ลอนจริงๆประมาณมิถุนา mm hmm. อันนี้เราเ<ด>ข้า ส, สนนูสปริงไหมยังก็เรียกสปริงเนี่ยใช่ค่ะ mm hmm. พระอาจารย์คะวันนี้หนูมีคำถามจากที่วันก่อนหนูฟังรายการหมอวีอะคะ่ะเรื่อง mm hmm. บุญแล้วก็มีญาติทํามท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องของการอุทิศบุญแล้วเหมือนท่านหนูจำท่านหนูไม่ได้เข้าใจผิดพระอาจารย์บอกว่าการ บุญที่ได้จากการสงบจิตเช่นจากการนั่งสมาธิภาวนาอเราไม่สามารถอุทิศได้เราสามารถอุทิศได้เฉพาะทานบุญที่จะเกิดจากการทําทานทําไมถึงเป็นอย่างนั้นหรอคะมันมีเหตุผลสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือเพ ร, ะพระเาะพุทธเจ้าสอนให้บุทิศบุญด้วยการทําทานเพราะว่าท่านสอนคนที่สอนนั้นเป็นคารวะเขาภานวนาไม่เป็น แต่เขาทาเขาเป็นกษัตริย์เนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเขาก็เอาเงินเอาทองไปทำบุญทำทานแล้วก็ได้ผลทันทีพอทำปั๊บแก็ได้ผลเลยมันไปซื้อฟาสต์ฟูยีง่งเีส่วนการภาวนานี่ไม่ใช่ว่าภาวนานเราจะได้ผลเนี่ยการภาวนานี่เป็นเหมือนการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ปนดินต้นไม้อีกห้าปีมันดอกมันถึงจะออกมาก็ได้ งั้นถ้าเราจะคิดว่าเราจะเอาบุญที่ได้จากการภาวนามาอุทิศบางทีมันยังไม่เกิดเนี่ยอืมเข้าใจแล้วค่ะแล้วนอนนั่งสมาธิแล้วมันจิตรวมเป็นเป็นอัปปนาสมาธิได้หรือเปล่าอืมถ้าไม่ได้มันก็อุทิศไม่ได้มันผลยังไม่เกิดอย่างนั้นมันเพลงแต่ไปการปลูกต้นไม้เพื่ อ, อยรดน้ํำฝนดินให้กับต้นไม้ที่เราปลูกไว้แล้วอือเข้าใจแล้วค่ะตอนนี้ไม่นิยมที่ที่จะสอนให้อุทิศบุญด้วยการ ภาวนาแล้ววิปัสสนาอะทำนองนี้แต่ถ้าทำบุญด้วยการทำบุญด้วยการให้ทานมันทำปุ๊บได้ปั๊บเลยเหมือนฟาสฟู้ดเนี่ยไปที่แมคโดนัลสั่งปั๊บมัน ก, เก็เขาก็หยิบ ม, มาให้เราเลยใช่ไหมก็มีอะไรให้อุทิศทันทีอ่าใช่พอเราทำบุญปั๊บแล้วก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมานทันทีเราก็สามารถอุทิศบุญส่วนนั้นไปได้ ออโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ทีนี้เรื่องของบาปอะค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าอ่าคือบาปเป็นเรื่องของความทุกข์ในใจที่เกิดจากการกระทำะผิดเช่นผิดศี 5, ห้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติอุบัติเหตุเช่นว่าเราขับรถเฉี่ยวคนแล้วเราไม่ได้ตั้งใจแไม่ไ ม, มันไม่บาปแต่ว่าเรื่องของกรรมก็ยังคงอยู่ถูกไหมคะคือเราต้องแยกกันว่ากรรมเช่น คนคนนี้ที่เขาถูกเฉียวเนี่ยแล้วเราทำให้เขาพิการอ่ะเขาหรือว่าทําให้เขาตายแต่ก่อนที่เขาจะตายเขาาจะเก็บแบบเจ็บแค้นใจสาแช้งเราหรืออะไรแบบนี้ก็ยังเป็นอันนี้ อ, อันนี้ก็ไม่น่เพราะเขาไม่รู้จักเราเราไม่รู้จักเขาค<ะ>่ะเขาก็ไม่รู้จะไปจองเวรจองกรรมกับใครอ่ะอืมแต่ว่ า, ววาเราไม่มีเรื่องมิลาวกับเขามาก่อ น, นไม่เป็นเวรเป็นกรรมกันมันต้องเป็นต้องมีเรื่องกันมาก่อนมันจะเป็นเวรกรรมกันได้ แล้วถ้าในกรณีสมมติยกตัวอย่างใหม่ว่าสมมติเป็นสุนัขล่ะคะ่ะถ้าสมมุติว่าเราขับรถชนสุนัขปับ๊บไม่บาปก็จริงเพราะเราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ากรรมที่ตามมาเช่นว่าเจ้าของเขาเอสมมติว่าเขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาหยุดรถเราไว้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันเกี่ยวกันแบบนี้หรือเปล่าคะในเรื่องของคือเหมือนหนูพยายามคําถามหนูก็คือพยายามจะเข้าใจว่าต่อให้ไม่บาปก็ตามอ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าเราหลุดพ้นจากกรรมที่เราทำํทำทําสิ่งนั้น หรือเปล่าค่ะอันนี้ไม่แน่นอนนะถ้าถ้าเกิดเขาเขาเขาโกรธเราเขาเกลียดเราเขาก็อาจจะมาจองเวรจองกรรมหนัก็ได้แต่ถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาเราเป็นใครขับรถมาแล้ว เ, เขามองไม่เห็นเราแล้วเราก็ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วเขาก็อาจจะพังเผยเดินลงไปครอจากลงไปถนนนั้วถูกเราชนอย่างเงี้ยมันก็เขาก็ไม่จะมาโกรธเราทําไมใช่ไหม ม, มันอยู่ที่เขาอะ เราจะไปโกรธเขาไหมเวลาเร า, เราถูกรถคนขับรถมาชนเราเราก็ไม่รู้จักเขาเขาก็ไม่รู้จักเราแล้วเขาก็ไม่มีเจตนาเลยโอเคเข้าใจแล้วคะ่ะมี<ร>ข้อนึ่งแล้วก็ ค, วคิดว่าเป็นความช่วยของเราใช่ไหมแล้วก็คุณยังไม่ไปโกรธเขาไม่เอาเรว่อเรากับเขาถ้าเรามีสตินะคะค่ ะ, คะ <laughs> ถ้าเราไม่มีสติสิ่งแรกเราเจ็บก่อนแล้วก็โกรธก่อนแล้ว ก็อาจจะเป็นได้อาจจะเป็นได้แต่มันจะไม่เหมือนกับการที่มีเรื่องมิลาวกันแล้วจองเวจองกรรมกันมีเจตนาจะทําทําร้ายกันอในนี้เขาเขาจะเขาจะต้อ ง, องค่าปียาบาลเราอย่างแน่นอนอืมค่ะมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุอุบัติเหตุมันก็ไม่มีใครที่จะไปโกยใครนะเพราะมันเป็นเรื่องสุดวิสัยไม่มีใครตั้งใจทําให้สกุล อืเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์อหนูขออนุญาตถามอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะเวลามันจะหมดแล้วแต่ว่าหนูจะย้ายปไปออ่า<ๆ>โอเ ค, คะ<ๆ>หนูขอถามเรื่องกิเลสค่ะคืออ่ากิเลสนี่เหมือนเหมือนเป็นสิ่งภายนอกที่มากระทบกับใจถูกไหมคะแต่ว่าไม่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งขอ ง, งจิตใจคือไม่ได้เป็นพาร์ทแบบพาร์ทหนึ่งของเวทนาสัญญาสังขารมี ญ, ญานอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะ มันมันก็ไม่ได้เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดจากความหลงมันก็อยู่ในใจมันเกิก็คือเกิด ม, มาจากสังขารที่ปรุงอย่างนี้หรือเปล่าคะคือเกิดจากจิตเกิด จ, จิตที่ไม่รู้ความจริงก็เรียกวความหลงความจริงคืออะไรว่าก็ความจริงก็คือตายลักเอง พอมันไม่มันไม่เห็นความจริงมันก็ลองไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสุขแต่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์พอมันเห็นว่าเป็นสุขมันก็ เ, เกิดความโลภอยากได้ขึ้นมาอือคือถ้าในทำในใดก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาัม่เกิดจากความหลงความหนงก็เกิดจากการที่ไม่มีไม่มีใครสอนความจริงพวเราโชคดีเนี่ยมีคนมาสอนความจริงให้พวกเรา พระพุทเจ้ามาสอนความจริงมาทุกอย่างมันเป็นตายรักแล้วถ้าเรามาเอาตายรังนี้มาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเราก็จะหายลงพอเราหายลงเราก็จะไม่โลภไม่โกรธใครเพราะไม่มีอะไรเราอยากจะได้เพราะไม่มีความอยากจะได้อะไรเราก็จะไม่โกรธใครอธิบายไใจไอธิบายคา่ะทีนี้ก็คือถ้าสมมติเราหยิบ วงปฏิจจสมุติบาทมาพูดก็คือคําว่ากิเลสคําว่าอาสวะอะไรพวกนี้อยู่ในหมวดที่อยู่ตรงอวิชชาถูกไหมครไม่ใช่ว่าอวิชชาก็คือความไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงเนี่ยค่ะคือไม่ใช่ว่าพอเรามีปัญหาเรากิเลสมันถึงได้เกิดและทําให้เป็นอุปาทานไม่ใช่ตรงนั้นใช่ไหมครคือมันตั้งแต่ต้นสองมันเกิดจากอวิชชาถ้าไม่ถ้าไม่มีอวิชชามันก็จะไม่มีปัญหาไม่มีความโลมความอยากไม่มีความโกรธอนได โอเคเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณคุณข่าวพาราจากภูเขาเนี่ยเราต้องมาแก้วิชาแก้ให้เป็นปัญญาให้เป็นธรรมะขึ้นมาโดยการศึกษาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าพระอาจารยเราจะสอนให้เรามองทุก อ, อย่างว่าเป็นตายรักเมื่อเราเป็นเห็นว่าเป็นตายรักเราก็จะหายหลงล้วก็จะเกิดปัญญาเกิดความรู้ความจริงขึ้นมา เราก็จะไม่โน๊เราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่ยึดไม่ติดแอบอะไรเพราะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่ยึดไปติดมันเป็นทุกข์ใช่ไหมค่ะอันนี้เราขาดปัญญากันแล้วปัญญาที่เรามีก็ยังเป็นปัญญาที่เอามาใช้ปฏิบัติเอามาใช้แก้ความหลงไม่ได้เพราะมันยังไม่มันไม่มีมันไม่ไม่มีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งคือสมาธิต้องมีสมาธิมันหยุด หยุดความหลงหยุดความอยากแล้วก็จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติกต่กอนดัสมาธิครับปฏิบัติ ท, ทําไปก่อนให้มีโมเบคาก่อนพอมีโมเบคาแล้วก็ไม่กําลังที่จะหยุดความหลงได้เวลามันจะหลงไม่คิดว่าเป็นสุขขังแล้วก็จะบอกไม่ใช่มันเป็นทุกข์ขังแล้วก็อยจะไม่ไปทําตามมันความโลภอยากได้ก็จะไม่เกิด สติก็คือความสามารถที่จะให้วิญญาณเกาะอยู่ในจุดจุดเดียวที่เราต้องการเช่นเกาะลมหายใจเก<ช>าะเ<ช>ท้าที่ก้กาวเดินใช่คือให้จิตให้จิตรู้อยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้มันลอยไปตามความคิดต่างๆ่าค่ะาุครอาจาอีกยาวไกลเลยค่ะอย่าไปอย่าไปคิดเลยถ้าปฏิบัติอย่างาเดียวมันก็ถึงว่ามันไม่ไกลแล้วถ<ม>้าหมายถึงถ้าปฏิบัติ สมัใ ช, ใช่ไหมคะใช่ตอนนี้เอาให้มันเป็นขั้นเป็นตอนไปก่อนอย่าไปข้ามขั้นอันนี้ปัญญาพอรู้พอสังเกตก็พอแต่ตัวที่เราต้องทําให้ได้ก่อนคือสติแล้วก็สมาธิพอเราได้สติได้สมาธิเราถึงจะไปค่อยไปเอาทางปัญญาอย่างเต็มที่อันนี้เอ า, เอ า, เอาพอรู้คร่าๆวๆว่าปัญญาเป็นยังไงก่อนก็พอ โอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะกลับขอบพระคุณมากค่ะพาะอาจารย์โอเคอนนี้ก็ไปในฝุ่หลาได้แล้วแต่คำถามทางบ้านมีเท่าไหร่กราบนมัศการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดห้าคำถามเจ้าคะ่ะอาว่ามาเลยคําถามแรกจากคุณเก่งกราบนมัศการพระอาจารย์ครับธรรมะจะช่วยรักษาคนเจ็บป่วยได้อย่างไรครับเออลักษาได้ทางใจจะทําให้เขาไม่ทุกข์ไม่เครียดกับความ เจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายท่านก็รู้จักใช้ธรรมะท่านก็รู้จักปล่อยวางร่างกายยอมรับว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายเป็นเรื่องธรรมดาห้ามมันไม่ได้ใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะไม่เครียดกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่สามารถไปรักษาให้โครคภัยไข้เจ็บของร่างกายหา ย, หายได้คำั้มต่อไปจากคุณซาวารัตกราบนมัสการคะ่ะ อยากถามว่าอยู่ต่างประเทศคะ่ะทางนี้ก็มีลูกให้ดูแลทางเมืองไทยก็ยังมีแม่ให้ดูแลก็สับสนคะ่ะเลยทำให้จิตใจไม่สงบพยายามฟังพระอาจารย์แต่ก็สบายใจได้เพียงขนาดคะ่ะจะทำอย่างไรขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะเราก็ดูแลคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดเราใครอยู่ใกล้เราเราก็ดูแลคนนั้นไป จนคนที่อยู่ไกลเราทำได้ก็คือสมม่งเันไปแล้วจ้างคนอื่นห้ช่วยดูแลให้กับเราค่ะถามต่อไปจากคุณกอล์ฟนรวิทเรียนถามพระอาจารย์ครับก่อนนอนผมได้อ่านหนังสือเบนจางค ร, รัสสูตรได้ะระลึกถึงคำสอนเรื่องมงคลสูตรและมหาสติปทานตามลำดับผมนำกระดูกและฟันที่เป็นสิ่งที่ชอบใจ ยกขึ้นมาเพ่งพิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วใจสงบเป็นอุคหานิมิตเป็นวงเป็นดวงคล้ายดวงจากราศีสว่างสว่างกระผมเข้าใจจุดนั้นเลยนํานำจุดนั้นเป็นพื้นฐานเอามาใช้ในการภาวนาแต่เมื่อภาวนาแล้วมันสงบเข้าไปแต่มันปรากฏเหมือนกับว่าเราไปอยู่ใต้น้ำพิจารณาแล้ว ผมไม่มีอะไรจะอยากรู้อยากดูอะไรที่มาปรากฏในจุดนี้เลยเลิกภาวนาไม่ทราบว่าควรทาอย่างไรเมื่อเกิดเช่นนี้ตอนนั้นจิตมันสบายไม่ค่อยอยากบริกรรมครับขอพระอาจารย์เมตตาให้อุบายวิธีไปควบคุมใจครับก็คือการปฏิบัติสมาธิเราต้องการให้จิตเ น, นมม่งสงบให้เกิดความอิ่มเกิดความสุขขึ้นมาถ้าเรา ถ้าเราจะทำให้มันนิ่งครับมันสงบมันต้องเพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นอยู่กับลมหายใจออก็แล้ออยู่กับสรรมะรวยกรรมพุทโธไม่ใช่ไปคิดถึงนั่งนั่งคิดถึงเรื่งนี้องนั้นการปฏิบัติไม่ควรพิจารณาการนั่งสมาธิไม่ควรจะพิจารณาควรจะเพ่งให้รู้สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวคำถามต่อไปจากคุณนงรัก นมัสการพระคุณเจ้าการที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการสนทนาหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีศีลไม่เสมอกันมัวเมาในการกินในกามในเกียรติด้วยข้าพเจ้าไม่สามารถวางสีหน้าให้เป็นปกติได้เมื่ออยู่ในวงสนทนากับคนเหล่านั้นจึงเลื่องเสียในทางโลกบางคนตําหนิว่าข้าพเจ้ามีอคติ และเสียมารยาทแต่ข้าพเจ้าไม่อยากเคารพนับถือบุคคลเหล่านี้ด้วยขาดศรัทธาและไม่ได้นับถือข้าพเจ้าควรทำอย่างไรหากเรื่องคนเหล่านี้ไม่ได้ค่ะก็ต้องมีความเมตตาเวลาที่เราต้องพบปากกับใครเราก็ต้องให้ความสุขกับเขาใ ห, ให้อภัยเขาอย่าไปเสืยโทษเขาเขาจะเป็นคนไม่ดีเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขา เราอย่าไปเสียดเขาเสียดช้ำให้เรามองเขาให้เป็นเม็ดส่วนความไม่ดีของเขาก็ายากว่าเป็นส่วนนั้นว่าให้รู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีถ้าเราไม่จําเป็นจะต้องพบปากเขาแล้วก็เลียบเลี่ยบไปแต่ถ้าเราต้องพบปากกันก็ต้องก็ต้องให้ความบาถนาดีต่อกันให้ความเมตตาต่อกันคำถามสุดท้ายจากคุณทีรคาธนา น้อมกลาบนมัสการปีใหม่ไทยเจ้าคะ่ะขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงเจ้าคะ่ะคาถามการส่งเคราะห์ผู้อื่นแบ่งปันปัจจัยของเราให้เขามีความสุขแต่บางครั้งมีปัญหาว่าความอยากของเราอยากให้เขามีปัจจัยเยอะไม่อยากให้เขาลำบากแต่มันไม่เป็นดังที่เราอยากให้เป็นจึงเกิดทุกข์คนมีความทุกข์ต่างกันไป แต่สุดท้ายตัวปัญญาก็บอกว่าอันนีจังทุกชีวิตมีอวิชาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราละความอยากของเราเราก็ทำตามหน้าที่ที่ช่วยเหลือแต่ผลจะออกมาอย่างไรก็อุเบกขาไปก็รู้สึกเบาสบายดับกิเลสได้แบบนี้ถูกต้องไหมคะถ้าใช้วิธีนี้เจ้าคะ่ะถูกต้องครับถูกต้อ ง, องเราทำเท่าที่เราจะทำได้อย่าไปทำ ก็วยกำลังของเราอย่าไปอยากทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะมันจะทำให้เราทุกข์ทำเท่าที่เราทำได้แล้วเราจะมีความสุขอยากการที่เราได้ทำคุณทำประโยชน์ท่านแกรู้หมดแล้วใช่ไหมมันนี้เปนทายหมดแล้วเจ้าค okay. ่ะโอเคก็หมดเวลาพอดีสำหรับคืนนี้เรขอให้ท่านจงนำเอ า, าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจรพิจารณาไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทำ ย, ยิ่งขึ้นไปเชิ